กล่าวถึงเรื่องของพระตาลบุตรเนี่ยนะที่พระตาลบุตรนั้นเขาเป็นนายบ้านนะเป็นเป็นนายบ้านด้วยเป็นพ่อบ้านด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับร้องเย่างนั้นเลยเป็นเลศิศแบบมีชื่อเสียงโด่งดังในการขับร้องในอัตกถาตาลบุตรสูตรเนี่ยนะใน สังยุตติกายสลายยตนาวักเนี่ยเขานี่เล่ากันมาว่านายบ้านนักฟ้อนราคนนั้นเนี่ยมีผิวพรรณผ่องใสเหมือนลูกตาลสุกที่หลุดจากขั้วประมาณนั้นท่านก็นเลยชื่อว่าตาลบุตรเนี่ยนะคือเป็นคนที่มีหน้าตาเปล่งปลั่ ง, งด้วยเหตุนั้นคนทั้งหลายจึงตั้งชื่อเขาว่าตาลบุตรนายตาลบุตรผู้นี้นั้นเขาถึงพร้อมด้วยอภินิหาร มีบุญเก่าเป็นบุคคลเกิดในภพสุดท้ายเนี่ยนะเป็นปัดชิมพระวิกษัตรเป็นสัตว์ที่เกิดในภพสุดท้ายแหละแต่เพราะธรรมดาปฏิสนธิเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนท่อนไม้ที่คว้างไปในอากาศฉะนั้นเพราะฉะนั้นนายตาละบุตรนี้จึงบังเกิดในตระกูลของนักฟ้อนรำเนี่ยนะขนาดชาติสุดท้ายก็ยังไปเกิดในตระกูลนักร้องนักฟ้อนนักรำเลยเหมือนกัน พอเจริญวัยก็เป็นยอดทางหน้าตสินศิลปะฟ้อนรำมีชื่อกระชอนไปทั่วชมพูทวีปเขามีเกวียน500เล่มแล้วก็มีหญิงแม่บ้านอีก500คนเป็นบริวารและเขาก็มีภรรยาจำนวนเท่านั้นดังนั้นเขาจึงพร้อมด้วยหญิงพันคนและเกวียนพันเล่มอยู่อาศัยนครหรือนิคมใดๆประชาชนในนคร หรือในนิคมนั to to ้นๆก็พากันให้ทรัพย mm ์แสนหนึ่งแก่เขาก่อนทีเดียวใครจะจะไปเชิญให้วงดนตรีวงนี้หยุดนะจ่ายก่อนหนึ่งแสนให้หยุดนะยังไม่ดังถึงการแสดงอะไรหรอกให้หยุดอยู่ที่ตรงนั้นก่อนเมื่อเขาแต่งตัวแสดงมหรสพกกำลังเล่นกีฬาพร้อมด้วยหญิงพันหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันคนเนี่ยประชาชนต่างก็โยนเครื่องประดับมือประดับเท้าเป็นต้นตบกางวัให้ไม่มีที่สิ้นสุด ขนาดที่แสดงไปเนี่ยใครมีอะไรก็พ่อยกแม่ยกทั้งหลายนี่ก็โปรยข้าวของติดไม้ติดมือที่เอาไปด้วยนี่ให้เยอะแย ะ, ยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นวันนั้นเขาแวดล้อมด้วยหญิงพันคน <c oughs> เล่นกีฬาในกรุงราชครกก็คือแสดงเปิดวงดนตรีวงใหญ่แบบนั้นนะถ้าเป็นเมื่อก็เอ๊จะเป็นจริงหรือเปล่าแค่ไมเคิลแจ็กสันมาเมืองไทยเนี่ยเนาะโอจองตัวเนี่ยนะั่นจ้องจองไว้นอนยังจะได้ไปดูได้ เราสงสัยชื่อเสียงแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเขามียานแก่กล้าพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับไปเมืองราชเครือ ก, ก็ได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคก็เลยเข้าไปเฝ้าเพราะฉะนั้นตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูนะ่ณพระวิหารเวลวนันกลันทกาณิวาปรปะสถานใกล้กรุงราชเครือก ครั้งนั้นพ่อบ้านนักเต้นรํานามว่าตาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง <c oughs> ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินฟังนะเคยได้ยินได้ฟังคําของนักเต้นรําผู้เป็นอาจารย์และปาจารก่อนก่อนเห็นไหมก็คือ อาจารย์ของอาจารย์หลายชั้นเขากล่าวว่านักเต้นรําคนใดทำให้คนหัวเราะทำให้คนรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างกลางสถานเต้นรํากลางสถานมหัสศกก็คือสามารถทำให้คนหัวเราะร่าเริงแบบเล่นตลกกั น, นะพูดไปจริงบ้างเท็จบ้างผสมปนเปกันกให้คนหัวเราะเคลื่นเคลงไปอย่างนีน้ผู้นั้นเมื่อ แตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริงว่างั้นเถอะตาและชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาจะเป็นคนร่าเริงตลอดว่างั้นด้วยบุญที่ไปทําให้คนหัวเราะไปทําให้คนร่าเริงข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่าเลยนายคาร์มินีขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยว่างั้น เปียนคำถามเธออย่าถามเรื่องนี้เลยนะแม้ครั้งที่สองก็ยกปัญหานี้ขึ้นมาถามอีกสำเนินก็ไม่แล้วใจเลยนะอยากรู้อะ่ะครั้งที่สก็ก็ถามใหม่อีกเนี่ยนะพระองค์ก็ห้ามอีกเพราะฉะนั้นแม้ครั้งที่สพ่อบ้านนักเต้นรนํานามว่าตาลบุตรก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินคําของนักเต้นรําผู้เป็นอาจารย์และ ปาจาน ก, นก่อนก่อนกล่าวว่านักเต้นรําคนใดทําให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคําจริงบ้างคําเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรํารื่นเริงเนี่ยนะในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของผู้ของเทวดาผู้ร่าเริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนในายคาเมนี เราห้ามท่านไม่ได้แล้วนะคือห้ามตั้งสามครั้งแล้วนะว่างั้นอย่าเลยนายคามินีขอพักข้อนี้เสียเถอดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยแต่เราจัดพยากรให้ท่านว่างั้นตื้มมากกัเลยอ ต, อ ต, อตอบก็ตอบว่างั้นดูก่อนนายคามินีเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะคือปกตินี้สัตว์นี่กําลังเป็นไปด้วยราคะอยู่แล้วเนี่ยนะ อันกิเลสเครื่องผูกคือราคาผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดใน่ามกลางสถานเต้นรำใน่ามกลางสถานมหรสศพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคือปกติสัตว์ทั้งหลายก็มากไปด้วยราคาอยู่แล้วใช่ั้ยก็คือนักแสดงก็มาแสดงให้คนดูคนฟังเนี่ยนะมากไปด้วยราคะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเหมนนเรียกว่า สรรหาถ้อยคําต่างๆเนี่ยนะมาย้อมราคะของเหล่าสัตว์ให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะอันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักเต้นรํารวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่ามกลางสถานเต้นรําในท่าำกลางสถานมหรสศพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเห็ไนไหมเกิดว่าหาเหตุจูงใจให้คนมีโทสะมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหม ก็เหมือนกับเราดูภาพยนตร์บางเรื่องที่เป็นภาพยนตร์สงครามมีแต่การเข็นการฆ่ายังไงะงนั้นโทสะก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะอย่างหนังบางภาพยนตร์บางอย่างก็จะลักษณะผูกพยาบาทใช่หผูกพยาบาทจองเวรกันตลอดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราจากโมหะอังกิเลตเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมไว้ซึ่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ใน่ามกลางสถานเต้นรำใน่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนักเต้นรำนั้นเองตัวเองก็มัวประมาทนะคื อ, คอตอนต้นก่อนก็ยอมใจคนคนดูคนฟังเนี่ยนะเสร็จแล้วตัวเองก็มัวประมาทตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อแตกกายตายไป ย, ย่อมบังเกิดในนรกชื่อว่าปาหาสัตว์นะพอตัวเองเนี่ยมากไปด้วยความประมาทใช่ไหมเมื่อมากไปด้วยความประมาทเนี่ย ยอมใจให้คนมัวเมาไปด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะก็ไปตกนรกปรหาสะาาก็อรรถกถาท่านบอกว่าปหาสะไม่ได้มีนรกพิเศษนรกส่วนหนึ่งของอเวจีนั่นแหละจะบอกว่าอเวจีก็เกียนใจมั้งเนาะปะหาสะก็แล้วกันอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเกิดทิฐิขึ้นว่า นักเต้นรําคนใดทําให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคําจริงบ้างคําเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรําในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อว่าประหาสักเนี่ยนะท่าทิฏฐิเกิดขึ้นแบบนี้ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะดูก่อนนายคามินีก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่าง คือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดนะนะผู้ที่มีมิจฉาทิฐิสมาทานมิจฉาทิฏฐิแล้วประพฤติตามนั้นเนี่ยคติ2คือนรกกับเดรัจฉานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพ่อบ้านนักเต้นรนํานามว่าตาละบุตรก็ร้องให้สะอื้นน้ําตาไหลไปอุตสาห์ไปเที่ยวเต้นรํามาทั้งไม่รู้กี่บ้านกี่เมืองมาแล้วเนี่ยนะทำเหตุประเภทนี้มานอนเหลือเกินนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนนายคาร์มนีเราได้ห้ามท่านแล้วไม่ใช่หรือว่ายาเลยนายคาเมนีขอพักข้อนี้เสียเถิดอย่าถามข้อนี้กับเราเลยอ่างนั้นก็ห้ามแน่ น, นะนายคามมีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องให้ถึงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้กับข้าพระองค์รอกเนี่ย น, นะไม่ได้ร้องให้เพราะคาพยากรณ์อ่างนั้น แต่ว่าข้าพระองค์ถูกนักเต้นรําผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนานที่ร้องให้เสียใจยเพราะถูกหลอกมาว่านั้นเถอะถูกอาจารย์ถูกปาจาร์อาจารย์ของอาจารย์หลอกมาหลายชั้นกันแล้วเกินแบบนั้นพันถูกหลอกมาว่านักเต้นรําคนใดทําให้คนหัวเราะเรื่นเริงด้วยถ้อยคําจริงบ้างคําเท็จบ้างในถ้ำกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชื่อว่าปหาสะข้าแต่พระองค์ผูเจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจมแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผูเจรินพระธรรมเทศนาของพระองค์แจมแจ้งยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายดุดงง้ของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและภิกษุสงว่าเป็นสารณะโอ้ตอบตอบคาถามแค่นี้เนี่ยมอบกายถวายชีวิตเลยนะถึงไตรสารณคมทันทีเลยแสดงว่าพระผู้มีพระภาคนะพระองค์มีบารมีมากด้วย ผมเชื่อนะฮะด้วยพุทธานุภาพด้วยอะไรหลายๆอย่างเดียวนะของพระองค์นี่นะครับทำให้ผู้ฟังจิง <C oughs> ท่านี้เนี่ยนะครับผมจริงเรื่อมสายอยู่แล้วผม <C oughs> เชื่อนะ <C oughs> เรื่อมสายอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมาได้ฟังคำเทศนาแม้แต่สั้นๆอย่างนี้นะ <C oughs> แล้วตัดสินใจเร็วด้วยนะครับ <C oughs> ใช่นะก็คือ <C oughs> เร <C oughs> พราะนี่มันกรรมสกรรมมศกตาเนี่ยพระผู้มีพระภาคสอนเรื่องกรรมใช่ไหมอ่ากล่าวถึงกรรมสกตาและไอ้อย่างหนึ่งเข้าเป็นปัดชิมพระวิกรสักเห็นไหม อุสังสมอุปนิสัยมามากแล้วเนี่ยพอฟังคําเรื่องกรรมเนี่ยนะฟังเรื่องกรรมเนี่ยรู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดเนี่ยคืออะไรที่กําลังทํานี่คืออะไรถ้าหากว่าปล่อยให้แนวความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นมากๆเนี่ยนะคติสัมปรายภพคืออะไรนี่ก็ก็ก็มองเห็นอยู่แล้ว mm. เมื่อมองเห็นในขณะเดียวกันเนี่ยพระผู้มีพระภาคอ่าพูดอบายจริงแต่ก็เหมือนกับเปิดทางอื่นให้แนละ้วเ mm. ห็นไะหเพราะว่าตอนนั้นพระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่ใช่ไหม พระธรรมคําำคำสอนก็ยังรุ่งเรืองอยู่หมู่พระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เห็นก็มีอยู่เมื่อเป็นลักษณะ น, นี้เนี่ยกล่าวถึงอบายแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องในการถึงไตรสรณคมให้เห็นอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยถึงไตรสรณะแล้วก็กล่าวต่อไปว่าข่าพระ อ, องค์พึงได้บรรปชาและอุปสมบท oh. ไม่ต้องล้าเลยนะ <laughs> แม่บ้านพันหนึ่งไม่ล้าเลยเนาะผมเชื่อว่า uh ท่านองค์นี้เนี่ย อ, อคือสะสมความเห็นถูกมานานเนี่ยนะฮะแล้วพอมาเกิดชาตินี้เนี่ยมาเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเกิดในสำนักที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ดิ่งลงไปลึก น, นักเจะผมเชื่อว่าคงไม่ดิ่งและคงจะสงสัยอยู่เหมือนกันเจนพานนะคงจะสงสัยคงจะคัน่นคานอยู่เหมือนกัน <c laim> นะครับแคลงใจยอยู่นะแคลงใจยอยู่เหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นอันนะั้ทีนี้ก็เลยขอบวชเลย นะได้อุปสมบทไม่นานหลีกออกจากหมยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจแน่วแน่นะแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายอันนี้เราก็ฟังเรื่องราวของท่านโดยสรุปก่อนจากพระสูตร <c oughs> เสร็จแล้วก็มาฟังข้อความในเทระคถาเนี่ยนะว่าหลีกแต่หมููผู้เดียวไม่นานนักเนี่ยท่านไปคิดอะไรจึงได้เป็นพระอรหันต์ ง, งั้นเด็กมาลองดูวิธีการตรึกของท่าน ก็ S <S <an> บอกว่าก่อนแต่บรรลุพระรหัสนะก็โดยอาการอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบขายคือคือท่านมีโยนิโสมนัสิการก่อนว่างั้นเถดด้วยสามารถแห่งการข่มจิตของตนนั่นนะเรียกว่ามีอุบายมีเทค น, นิคมีวิธีการที่จะข่มจิตของตนเพื่อจะแสดงจาเนกอาการนั้นโดยอาการเป็นอันมากว่างั้น คือท่านสามารถยกวิธีการข่มจิตของท่านมาพารนาให้เราฟังนะนมาดูว่าท่านฉลาดฝึกจิตของท่านอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวว่าเมื่อไรหนอเราจึงจกได้อยู่แต่ผู้เดียวไม่มีตันหาเป็นเพื่อนสองณภูเขาและซอกเขาเ <c oughs> นี่ยนะความคิดอันแรกที่เปล่งวุทานกัอน <c oughs> อยากจะอยู่คนเดียวแต่ไม่มีตันหาเป็นเพื่อนสองนะ อยากต้องการกายาวิเวกเนี่ยนี้เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าและที่สองต้องการจิตวิเวกและอุปทิวิเวกเพราะว่าบุรุษทั้งหลายมีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปเนี่ยนะมีคนกระซิบข้างข้างหูเสมอเลยนะอย่างนี้สิอย่างนั้นสิเนี่ยนะบอกเลยจะอยู่นิ่งๆ น, นะกระซิบอีกแล้วบอกอย่างนั้นเนะอย่างนั้นเพราะนั้นตันหาเป็นเพื่อนสองว่างนันเมื่อไรเนาะเราจะพิจารณาเห็นแจ้งพบทั้งปวง โดยความเป็นของไม่เที่ยงยความหวังของท่านเนี่ยนะคือคือท่านมีเป้าหมายชัดเจนแลว้วอะอะเป้าหมายของการบวชของท่านคืออะไรเนีย่ยนะหนึ่งต้องการกายวิเวกสองต้องการจิตวิเวกและอุปธิวิเวกอเมื่อได้วิเวกแบบนั้นแล้วท่านต้องการพิ่จรณาพบทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงคืออยากจะไปมีเวลาเพื่อที่จะวิจัยพบนะ คืออยากจะเจริญตีระปริญญากับปะหานะปริญญาให้มเต็มที่เลยนะอยากไปไข้ครวนให้เต็มที่ว่างั้นคือพิจารณาพบทั้งปวงโดยมีแล้วก็กลับไม่มีก็บอกว่าอัตกถาท่านอธิบายว่ายกตัวอย่างเฉยๆว่าเอาไม่เที่ยงเป็นตัวอย่างเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกขสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเนาี่ยนะ ความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไรจักสําเร็จหนอะเรียกว่าความหวังความต้องการเมื่อไหรนะจะไปอยู่รีเกรนไปไข้ครวญตีระปริญญาเนี่ยพิจารณาพบทั้งหมดเลยะนะโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแสดงว่าเป้าหมายท่านชาัดเจนนะเมื่อไรหนอะเราจึงจักได้เป็นนักปรักของส่วนใหญ่ปรักถนาจะพบนักปรักใช่ไหมท่านเนี้ย ข้ามธรรมดาเลยบอกเมื่อไรท่านจะเป็นนักปราบตัวเองเลยเหน น, นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอันเศร้ามองไม่มีความยึดมั่นนะคือเมื่อบวชแล้วก็ไม่มีความยึดมั่นไม่มีความผูกพันในตระกูลนะหรือในหมู่ในคณะลีกเรนแล้วก็เป็นผู้ไม่มีความหวังนะไปลีกเลนแล้วไม่ใช่ลีกเลนแล้วหวังอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีความหวังในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ ไม่หวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะในธรรมอารมณ์ที่เป็นการมาวาจ ร, รูปาวาจรอรูปาวาจรไม่หวังสักอย่างเลยนะเมื่อไรอนั้นจะสำเร็จนะแล้วก็จะเป็นผู้ฆ่าราคะเป็นผู้ฆ่าโทสะและเป็นผู้ฆ่าโมหะได้แล้วนะนะไปอยู่แต่ผู้เดียวนี้ก็ต้องไปฆ่าโลภะโทสะโมหะด้วยอริยมรรคเที่ยวไปตามป่าใหญ่อย่างสบาย ละกิเลสหมดแล้วเนี่ยท่องเที่ยวจาริกไปในป่าจากเขาสู่เขาอางั้นเนี่ยความตึกเช่นนี้ของเราเมื่อไร่จกสําเร็จเนอเมื่อไร่จะเป็นพผ่ารหันเดินในป่าอย่างสบายใจสักทีอนะ่เนาะเมื่อไรเนอเราจึงจกเห็นแจ้งซึ่งร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงเป็นรังแห่งโรคและความตาย ถูกความตายและความเสื่อมโทรมบีบคั้นแล้วเป็นผู้ปราศจากภัยอาศัยอยู่แต่ในป่าผู้เดียวความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไรจักสำเร็จเนาะเมื่ ม, มีมีใครเคยตั้งความหวังเมื่อไรจะมีปัญญาใครครวญเห็นความไม่เที่ยงของกายเป็นต้นเนี่ยนะน่าจะมีบ้างเนาะ <c oughs> คือท่านบอกว่าท่าน จะไปเห็นแจ้งห่ังนั้นเถอะมีความหวังว่าจะไปพิจารณากายคำว่ากายนั้นเป็นชื่อของขันหนะ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรูประกายอย่างเดียวเนี่ยกายนี้ด้วยกายภายนอกด้วยเพราะนั้นคำว่ากายนี้หมายถึงทั้งนามกายและรูประกายเนี่ยนะพิจารณากายโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็กายนี้เป็นรังของโรคและความตายเนี่ยนะถามว่าตัวโรคคืออะไรก็คือ กายนั่นแหละคือขันห้านั่นแหละเรียกว่าโรคเรียกว่าฝีเรียกว่าลูกศ้อนเรียกว่าเป็นความลำบากเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นผู้ฆ่าเป็นมารเป็นเหยื่อล่อเครื่องลนอน่อของมารเป็นเครื่องผูกของมารเครื่องดักของมารเป็นต้นเนี่ยนะก็คือขันห้านั่นแหละอันเห็นขันห้าเป็นเหมือนรังของโรคคือความตายถูกความตายนี่แหละและความเสื่อมโทรมบีบขันป่าถนาอะไรด้ไหมเมื่อไหรจะได้ตีระนพ ปริญญาปหานะปริญญาไขาครวนกายนี้ยังให้มันเอาเป็นการเป็นงานสักทีหนึ่งอะนะเป็นผู้ปราศจากภัยเนี่ยนะบอกว่าเพราะเหตุแห่งภัยเสียได้ปราั้นคือไม่มีภัยและไม่มีภัยใดๆคำว่าภัยเป็นชื่อของความกลัวเนี่ยนะโทรนั่นแหละหรือสิ่งที่น่ากลัวแต่ตรงนี้ท่านไม่ต้องการภัยคื อ, อจิตที่กลัวของท่านไม่ต้องการให้เกิดอีกแล้ว แล้วก็อาศัยอยู่แต่ในป่าผู้เดียวความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไรจักสําเร็จเนอะว่างั้นหวังไปอยู่ในป่าพิจารณาคันห้าให้รอบคอบว่างั้นเถอะอันนี้แสดงว่าท่านต้องการทําปริญญาากิจในทุกขาริยสัตว์ให้บริบูรณ์เนี่ยนะไปะอยู่ขันห้าจะได้ทําปริญญาากิจให้เต็มที่ว่างั้นเมื่อไรเนาเราจะได้ถือเอาซึ่งดาบอันคมกริบคืออริยมรรคอันสําเร็จด้วยปัญญา แล้วตัดเสียซึ่งระดาชาติคือตันหาอันกอ่อให้เกิดภัยนํามาซึ่งทุกเป็นเหตุให้คิดวนเวียนไปในอารมณ์ภายนอกเนี่ยนะคือให้เป็นเหตุให้วนคิดจากรูปไปหาเสียงจากเสียงไปหากลิ่นแล้วก็เป็นเหตุให้คิดไปในกามะพบรูปประพบและอรูปประพบความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไรจกสําเร็จหนอเมื่อไหร่นะจะตัดไอความเพลิดเพลินความหวังในอารมณ์เนี่ยนะอริยมรรคเกิดขึ้นมาตัด ชับเข้าไปนะก็บอกว่าตันหาเหมือนกับระดาวันน่นะนะก็คือพว ก, กอะไรเครือไม้ใช่ไหมพวกเถาวันเถาวัต่างๆที่มันร้อยรัดเนี่ยนะเ ก, กว่าซอกแสกไปในที่ทุกหนทุกแห่งมันก็เหมือนกับอะไรนะยะมันมีเถาอะไรนะที่เคยปลูกข้างๆกําแพงกันนะแต่มันเลย <c oughs> ยาดสกแก่ะเลยนะนะอ พวกตันหาก็เหมือนกันเนี่ยนะมันซอกแซกไปในอารมณ์ทุกๆอารมณ์นั่นแหละเมื่อไหร่นะอริยมรรคจะเกิดขึ้นมาตัดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นนั้นให้หมดเลยว่างั้นเมื่อไรเนาะเราจึงจกได้ถือเอาซึ่งสาตราอันสำเร็จด้วยปัญญามีเดชานุภาพมากเมื่อไหร่นะจะได้มีส ม, มถาวิปัสนาว่างั้นของฤาษีคือพระพุทธเจ้าซึ่ง ถ้าเราได้ฟังเรื่องของอารหังคําว่าอารหังมีข้อนึงใช่ไหมคือหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเนี่ยนะะคำว่าสี่กรรมแห่งสังสารจักรเนี่ยนะซี่กรรมเป็นชื่อของรรพบเป็นชื่อของปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและอเนญชาพิสังขารมีเพลาคืออาสวะสมุทัยเนี่ยนะแล้วก็มีกรงนะรอบนอกเรียกว่าชาราและมรณะ พันนะันรถอันสําเร็จแล้วด้วยภพสามนี่นะซึ่งพระผู้มีพระภาคใช้ศาสตราพระสูตรเนี่ยนะคือขวานอันสําเร็จแล้วด้วยปัญญ า, นะานนเนี่ยนะขวานเนี่ยเนี่ยมันถ้าไม่คมตัดไม่ขาดนั่นต้องรับก่อนใช้อะไรรับนะใช้สมาธิเนี่ยเป็นเครื่องรับกันฮนะใช้สมาธิรับขวานนี่ต้องใช้มือจับมือในนี้นีคือศรัทธา นนะแลวก็ยืนด้วยท้าวทั้งคู่คือความเพียรตัดเข้าไปขาดหมดเลยอย่างั้นเราเคยคิดเมื่อไรนะจะตัดไอความคิดที่เป็นบุญเป็นบาปนี้ออกให้หมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านปรารถนาอย่างนั้นแหละซึ่งศาสตราอันสำเร็จด้วยปัญญามีเดชานุภาพมากซึ่งหมายถึงสมถาวิปัสนาของฤาษีมีพระพุทธเจ้าพระปเจค พ, พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวก นะคือคือสมถวิปัสสนานี้เป็นของพอระรยเจ้ า, าท่านแล้วหักรานเสียซึ่งกิเลสมารพร้อมทั้งวาสพร้อมทั้งเสนาโดยเร็วพลันก็ว่า เ, เมื่ อ, อไรจะตัดไอความเป็นบุญเป็นบาปออกจากใจออกสักทีห น, นึ่งเนี่ยนะเพราะว่าท่านมองเห็นสภาพที่เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยใช่ไหมโยนไปในภพสามเนี่ยนะถ้าเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปเหล่านี้ไม่มีภพสามจากมีแต่ไหนนะ นั้นความเป็นพบต่างๆเนี่ยนะที่ปัิบัติกรรมชโรปปฏิสนธิต่อไปในที่ที่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยก็มาจากเจตนาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกอารมณ์แล้วมีเจตนาเกิดร่วมด้วยเจตนาตัวนั้นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่พบต่างๆทัานท่านบอกว่าเอ่เมื่อเราจะหักรานไอกิเลสมาพร้อมทั้งเสนาคือพี่สังขารเหล่านี้โดยเร็วพลันเนื้อเถระอัตมีลีลาดดังราชสีว่างั้น คือนั่งตัดบนบาลังที่ไม่พ่ายแพ้ปราชัยเรียกว่าอัปราชิตบาลังความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรเนาะนะเมื่อไรจะตัดได้ท่ทีนะ้แต่ความคิดเนี่ยนะความคิดที่ทั้งหมดนะทั้งความคิดที่เป็นบุญและเป็นบาปนะถ้าหากว่าไม่ละบาปลอยบุญเสียแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เมื่อไรเนะาะฟังันนักรารมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้มีความหนักแน่นในธรรมผู้คงที่มีปกติเห็นตามความเป็นจริงเยอะนะมีอินทรีย์อัญชนะเอ้ยมีอินทรีย์อัญชนะแล้วจะเห็นว่าเราบําเพ็ญเพียรความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไรจกสําเร็จเนาะองนั้นแม่อยากปฏิบัติธรรมกาลังเพียรพยายามแล้วให้พระพุทธเจ้ามองเห็นนี่ยเมื่อไหร่อัะนั่นจะเป็นอย่างนั้นสักทีหนึ่งอะนะ ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้หนักแน่นในธรรมเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่เคารพธรรมอยงนี้นธรรมะใดที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมพระพุทธเจ้านั้นเคารพนะถ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยจะเคารพกุศลกรรมาบท10ถ้าพระพุทธเจ้านี้จะเคารพโลกุตระธรรมเก้าและพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้คงที่ในอิทธารมณ์และอนิถารมณ์คือพระองค์นี้ไม่มี การยึดถืออารมณ์โดยความเป็นสุภาพนิมิตหรือปฏิฆานิมิตนั้นพระองค์ไม่มีราคะโทสะโมหะในอารมณ์ทั้งปวงอันพระองค์นี้มีอารมณ์ที่คงที่และมีปกติเห็นความจริงเห็นจริงนี่เห็นแค่ไหนจริงจะเรียกว่าเห็นจริงถ้าเห็นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นสีเนี่ยเห็นสีจริงๆเนี่ยเห็นแค่ไหนจริงจะเรียกว่าพระองค์เห็นจริงจริงเ น, นี่นะนยน ะ, ะพระพุทธเจ้านี่เห็นว่ารูปนะเห็นสีนะรูป รูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรทคามินีปฏิปทานนะก็บอกว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องตาดีแบบนั้นพระองค์รู้แค่ไหนจึงจะเรียกว่ารู้รู้เรื่องตาพระองค์รู้จักสุจักสุสมุทัยจักสุนิโรธและจักสุนิโรทคามินีปฏิปทานแบบนั้นก็เรียกว่าเห็นแบบสุดเลยเนี่ยนะต่อไปว่าพระองค์นี้มีอินทรีย์อันชนะแล้วนะ คือพระองค์นี้ไม่มีวิปลาดในทุกๆอารมณ์เมื่อไม่มีวิปลาดในทุกอารมณ์นั้น อ, อินทรีย์ของพระองค์เนี่ยนะชนะแล้วด้วยอารยมรักคำว่าอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจนี้พระองค์ได้รับการฝึกด้วยอารยมรักเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆอินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยพระองค์เนี่ยไข้ครวญโดยปริญญาสามอย่างละเอียดละ อ, อถีทท่วนอย่างลงสู่กิริยารังอย่างลงสู่อริยสัตว์หมด แล้วก็ผู้ที่มีอยากให้พระพุทธเจ้าเห็นน่ะเพราะคนที่มีความสามารถแบบนี้อยากให้ท่านเห็นว่าเรานี่บําเพ็ญเพียรเนี่ยนะอยากให้พระพุทธเจ้าชมตงนั้นนหละคนอื่นชมไม่เอาเมื่อไรเนาะความเกลียดคร้า น, นตัวขี้เกียจเนี่ยนะความหิวระหายลมแดดเหลือบยุงและสัตว์เสือกคลานทั้งหลายจักไม่เบียดเบียนเราถามว่าความป่าเถนาอย่างนี้ก็เอามุ้งไปกลางสิง่ายนิดเดียวใช่ไหม ถ้าคิดแบบเราถามว่าท่านต้องการแบบนี้หรือเปล่า mm. ท่านบอกว่าเมื่อไรนะความเกียดคราญความหิวลมแดดเหลือบยุงและสัตว์เสือคลานทั้งหลายจักไม่เบียดเบียนเราอยู่ในกุฏิก็หายแต่ท่านไม่ได้หมายแบบนั้นท่านหมายว่าเพราะเราห้ามสุขห้ามทุกข์ห้ามโสมนัตโทมณัติก่อนๆด้วยฌานจิตเหมือนกันนต่คือถ้าเข้าฌานแล้วเนี่ยพวกเกียดคราญหิวรหายเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานไม่เบียดเบียนะ ไ ม, ไม่รับรู้สักอย่างไม่รับรู้ว่าไม่เอก็ด้วยอนุภาพของชาญ น, นี่ก็น่าจะไม่เบียดเบียนอยู่แล้วเย<ม> น, นะเพราะว่าถ้าเข้าชา น, นี่ก็ข้าไม่ตายในขณะเข้าชานอยู่เนี่ย แ, แล้วยุงกัม่อครัเข้าชา น, น <S <S ถึงว่าคิดคิดๆอยู่กันของสายอยู่กัน <S <S บนก็สูงมากเจนพนะแต่ว่าโสมนัทโทมานัไม่มีสักอย่างเนี่ยนะถ้าเข้าระดับจตุทชาเนี่ยนะถ้าปฐมชาญก็ละอย่างอื่นหมดเนี่ยนะ วันข้อนั้นเป็นความประสงค์ของเราความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไหรจะสําเร็จเนาะเมื่อไรจะไปนั่งเข้าฌานได้ว่างั้นเถอะไม่ได้รับรู้อะไรทุกอย่างที่เกิดจากเหลือบจุงลมแดดสัตว์เสือคลานทั้งหลายไม่ใช่หลับนะไม่รับรู้ไม่ใช่โง่อนะเขาบอกว่าตื่นอยู่แต่ฟ้าผ่าไม่รู้อะไม่หลับตื่นอยู่นี่แหละแต่ฟ้าผ่าไม่รู้เขาบอกว่าคือคนที่เข้าสมาบัติอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะฟ้าผ่าก็ไม่รู้นะพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเขาบอกพระองค์เนี่ย เข้าสมาบัติอยู่เนี่ยนะฟ้าผ่าพระองค์ไม่รู้นะออกมาแล้วพระองค์ไข้ควรนะจึงรู้อย่างั้นลึกซึ้งขนาดนั้นนะเมื่อไรเนาะเราจึงจักเป็นผู้มีจิตมั่นคงมีสติได้บรรลุอริยสัจสี่ที่เห็นได้แสนยากอันพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทราบแล้วด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไรจักสาเร็จนอะ มเมื่ อ, อไรจกได้แทงตลอดอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าเห็นสักทีหนึ่งนะท่านบอกว่าเป็นจักเป็นผู้มีจิตมั่นคงเนี่ยคำว่ามั่นคงเนี่ยด้วยมักคสมาธิมีสติด้วยสัมมาสติบรรลุอริยสัจสีที่เห็นได้ยากาเพราะว่าผู้ที่จะบรรลุอริยสัจสี่นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีกุศลสัมภาระเนี่ยนะสัมภาระคือบุญเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นอันเราสั่งสมมาด้วยปัญญาในอริยมรรคผู้ที่สะสมบุญจนถึงอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วจึงจะกแทงตลอดอริยสัจไดนนะ้แล้วก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณใหญ่ทรงทราบแล้วด้วยปัญญาเมื่อไหรจะได้เห็นอย่างนั้นสักทีนึงท่านก็สอนใจท่านต่อไปว่าเมื่อไรนเราจึงจักประกอบด้วยความสงบระงับจากเครื่องเร่าร้อนใจ ในเพราะรูปเสียงเปลิ่นรสและโพธพะธรรมารมที่เรายังไม่รู้เท่าถึงพี่าจรณาเห็นด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่อไรจักสำเร็จนอท่านตั้งความปรารถนาว่างั้นเถอะตั้งหวังไว้ว่าจักประกอบด้วยฌานและวิปัสสนามักคสมาธิเดียนะดับไฟเขาบอกว่าความเร่าร้อนนี่เป็นชื่อของไฟ11บอกองอเมื่อเห็นรูปจะดับไฟ11กองอะ่ะ หูได้ยินเสียงจะดับไฟ11กองจมูกดมกลิ่นจะดับไฟ11กองลิ้นรับรสจะดับไฟ11กองกายรับกระทบโทธิภพจะดับไฟ11กองใจนึกคิดธรรมารมทั่วไปจะดับไฟ11กองเนี่ยถามว่าจะเป็นยังไงไฟสิบเอกองนั้นคืออะไรไฟคือราคะราคขินาโทสักขินาโมหขินาเนี่ยนะไฟคือราคะไฟคือโทสาและไฟคือโมหะไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือมรณะ ไฟคือสโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาต์แล้ว่าไฟ11กลอกองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมองเห็นแล้วใจเป็นไปกับราคะโทสะและโมหะแสดงว่าเนี่ยนะไฟคือชาติได้ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างเงียบๆ น, นะเมื่อชาติเกิดขึ้นอะไรตามมาชาราก็เบียดเบียนมรณะก็ห้ามันเนี่ยนะั้นพอมือชาติชารามรณะและอะไร อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละร้องไห้เนี่ยนะร้องไห้ก็เพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายในจในใั่นแหละจึงได้ร้องไห้นะเมื่อร้องไห้ก็โสกกะปริเทวทุกโทมะนะันนั้นและอุปายาตจนถึงเรียก ว, ว่าครับแค้นใจเป็นที่สุดเนี่ยนะทํำยังไงนะ <c oughs> เมื่อมองเห็นแล้วไฟเหล่านี้จะไม่แผดเผาต่อไปว่า ง, งั้น <c oughs> บอกว่าความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่ อ, อไรจักสําเร็จเนก็สแสดงว่าท่านปรารถนาอย่างแรงกล้านในการตรัสรู้เริยสัตว์เนาะเนี่ยนะ เมื่อไรเนาะเมื่อเราถูกว่ากล่าวติเตียนด้วยถ้อยคาชั่วหยาบแล้วจกไม่เดือดร้อนใจเพราะถ้อยคาชั่วหยาบนั้นนะีเรียกว่าถูกโลกกระทาที่เป็นทุกข์ะนะในสายที่ถูกว่าร้ายถูกติเตียนเนี่ยใจก็ไม่เดือดร้อนอันหนึ่งถ้าเขาจะสารเสริญก็ไม่ยินดีในเพราะถ้อยคำเช่นนั้นความตรึกเช่นนี้ของเรา เมื่อไรจักสำเร็จเนอเมื่อไรนะารับโลกธรรมทั้งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งนินทาสารเสริญได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศใจก็ยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมเมื่อไหร่จะถึงสักทีหนึ่งเนะเมื่อไรจะได้เป็นอย่างนั้นทราบทีหนึ่งนะเมื่อไรเนาะเราจักพิจารณาเห็นสภาพภายในกล่าวคือเบญจขัน และรูปธรรมเหล่าอื่นที่ไม่รู้ทั่วถึงและสภาพภายนอกคือต้นไม้หญ้าและระดาชาติว่ามีสภาพเสมอกันเมื่อไรจะได้เห็นขันห้าภายในกับหญ้าภายนอกเท่ากันไม่ต่างกันเหนัันแท้เมื่อไรจะมองเห็นเส้นผมของเราเหมือนกับเส้นหญ้าที่งอกขึ้นบนจอมปลวกเหมือนกันเมื่อไรจะได้เห็นผิวหนังของเราเหมือนกับแผ่นดินไม่ได้ต่างอะไรกันเมื่อไรเห็นกระดูกเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะแข็งแ็งคล้ายๆกันน่ยนะ เมื่อไรจะได้มีความรู้แบบนั้นคำว่าเปรียบเทียบนะพวกต้นไม้หญ้าระดาชาตกับขันเนี่ยนะไม่ต่างกันคือไม่ต่างกันโดยความไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่ต่างกันโดยความเป็นทุกข์ไม่ต่างกันโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะคือปัญญาเข้าไปเห็นในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสเสมอกันในขันและต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ มันก็อุปมาว่าขันในร่างกายของเราเนี่ยนะหาแก่นสารไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าข้างนอกเหมือนกันก็ดีนะว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอะจักท่วมทับซึ่งแผ่นดินบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วคือจุติจิต ด, ดับไปแล้วเนี่ยนะร่างกายอันนั้นก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันหาประโยชน์ไม่ได้นะที่ดูอะไรก็เหมือนกับพ่ออาศัยอํานาจปัดฉาชาแต่ปัจจัยจิตนั่นแหละหลอเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะ ทำจิตตะชูปใหม่ๆขึ้นมาอีกก็เลยนึกว่าดูเหมือนเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะที่ไหนได้แต่ค่าที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต่างอะไรจากต้นไม้ใบหญ้านะักแต่พิเศษนะเพราะด้วยอำนาจของ อ, อุปาทานเนี่ยนะยึดมั่นเมื่อไรเนาะฝนที่ตกในเวลาปัจจุสมัยจกตกรถเราผู้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัผู้ปฏิบัติอยู่ในมัก ขปติปทาที่นักปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดำเนินไปแล้วด้วยน้ำใหม่อยู่ในป่าความตรึกเช่นนี้เมื่อไหรของเราจักสาเร็จเนอะคือท่านนี้นั่งอยู่กลางแจ้งเพยพอนั่งอยู่กลางแจ้งเนี่ยแม่เมื่อ ไ, ไรถ้าฝนตกรถผ้าเปียกชุ่มเช้ามืดขณะที่กาลังเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาอยู่นี่แหละฟังานเถอะนะกาลัง ดำเนินเดินตามทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยพิจารณาธรรมะนั้นไปฝนก็ตกราดรถเนี่ยเชื่อไหมว่าขณะนั้นเนี่ยอุตุสปายะเนี่ยนะช่วงที่ช่วงฝนตกแล้วก็เช้ามืดเนี่ยนะช่วงนั้นอุตุจะสปายะถ้าหากว่าบางบางคนที่ชอบอากาศแบบนั้นเนี่ยนะอุตุสปายะอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาพระธรรมได้อย่างดีเนี่นะพระธรรมเนี่ย ไม่ไม่ถึงกันหนาวเพราะมก็ห่มผ้าห่มผ้าอยู่แต่ว่าไอ้อุตุบรรยากาศขนาดนั้นแหละนะพิจารณาธรรมกําลังดีเลยเขบอกว่าไม่ได้ถูกฝนหรอกเขาบอฝนข้างนอกตกแต่ตกอ่ะนะแต่ของเราก็ฝนข้างนอกแต่ของท่านเนี่ยท่านนั่งอยู่กลางแจ้งเพราะท่านาท่านนั่งอภิวขาดเนี่ยนะท่านอยู่ที่แจ้งแต่ว่าฝนตกราดรถแต่ว่าผู้ที่ฝึกดีแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าอากาศเย็นๆอย่างนั้นเนี่ยกาลังดีด้วยในการพิจารณาธรรมะเนี่ยนะ อากาศกนลังดีเนี่ยใจมันตื่นตัวดีแล้วก็พิจารณาธรรมะนะถ้าใครเคยลองก็น่าจะดีนะถ้าถ้าฝึกเจริญกุศลเนี่ยถ้าเราสังเกตดูในอากาศหลายๆแห่งเนี่ยนะอากาศแบบไหนดีที่สุดเหมาะสำหรับเราแยนะจะรู้เลยว่าผมมานี่เห็นด้วยกับท่านพระตาลระบุตรนะเฉพาะข้อความตรงนี้นะว่าเออตรึกดีจริงๆขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าเมื่อไรเนาะ เราจึงจกได้ฟังเสียงร่ำร้องของนกยูงและที่ชาชาติในป่าและซอกเขาที่ชาชาติก็คือพวกเกิดสองครั้งอ่ะพวกนกทั้งหลายแหลเนี่เกิดสองครั้งเกิดที่ชาชาตอ่ะนที่ชาชาตินี้นะก็คือพวกทวิชาตนั่นแหละเขาว่าเกิดสองครั้งก็เกิดครั้งแรกก็เกิดจากท้องก่อนใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังก็มา ออกจากกระป๋อไข่อีกครั้งหนึ่ง น, นะแกล้วก็เรียกเกิดสองครั้งแม่เมื่อไรจะได้ฟังเสียงนกกระปูดงั้นวะได้ฟังเสียงนกกระปูดนกยูงนกอะไรพวกนี้แหละลุกขึ้นออกจากการนอนแล้วเห็นไหมคือได้ฟังเสียงนกร้องก็ตื่นนอนเหมือนกันพอตื่นนอนก็พิจารณาธรรมะโดยความเป็นของไม่เที่ยงตื่นขึ้นมาตึกเรื่องไม่เที่ยงต่อเหมงอนกัน เพื่อบรุลออมะตะธรรมความตึกเช่นนี้ของเราเมื่ อ, อไรจักสำเร็จเนาะพอ ก, กันได้ยินเสียงนกเหมือนกับเสียงนาฬิกาปลุกว่างันได้เวลาพิจารณาตีระปริญญาอีกแล้วพอกันเมื่อไรเนาะเราจะข้ามพ้นแม่น้ำคงคาย ม, มุนาสรัะสรสีที่ไหลไปกระทั่งถึงบาดาลเป็นปากน้ำใหญ่น่ากลัวนะัก ไปได้ด้วยฤทธิ์โดยไม่ติดขัดความตรึกเช่นนี้ของเราเมื่ออะไรจักสําเร็จเนาะมาปรารถนาจะไปดูโน่นจะไปบาดาล น, นะครับนีน้ะท่านอยู่ในป่าเจริญชานนะ่าเจริญชานแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับท่านใช่ไหมต้องข้ามแม่น้ํำคงคายมุนาแล้วก็สรัสรีด้วยนะไปกระทั่งถึงบาดาลเคยได้ยินคำว่าบาดาล น, นี่แปลว่าอะไรคําว่าบาดาลใ น, นที่สุดแห่งการตกและตกแค่นั้นเนี่ยไม่มีตกกว่านั้นอีกแล้ว แต่ถึงบาดาลแล้วไม่ต่ำกันนั้นอีกแล้วตกเท่านั้นแหละอย่างนั้น น, น, นะตรงนี้ในอัตถกถาท่านอธิบายที่ว่าไปจนถึงไหลที่แม่น้ำเนี่ยไหลไปจนถึงบาดาลเป็นปากน้ําใหญ่น่ากลัวนี่นะท่านอธิบายว่าบทว่าพระวามุขขังได้แก่ปากน้ําวนใหญ่ในมหาสมุทรจริงอยู่ในเวลาประตูมหานรกเปิดนะคือ นึกถึงในอเวจี v นรกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งไฟเนี่ยพุ่งมาจากทิศ ท, ทั้งหนะเนี่ยนะแต่ถ้าบางยูกาลานเนี่ยนะประตูของนรกในทิศใดทิททท่หนึ่งก็จะเปิดขึ้นท่อไฟก็พุ่งออกจากประตูมหานรกนั้นเบื้องหน้าแต่นั้นไฟไหม้ส่วนภายใต้มหาสมุดยาวและกว้างหลายร้อยยศในเมื่อส่วนภายใต้มหาสมุดถูกไฟไหม้ น้ำข้างบนก็วนเวียนโดยอาการเป็นบ่อตกลงภายใต้ด้วยเสียงดังในที่นั้นมีสมัญญาว่าปากน้ําใหญ่ปราณั้นนะปากประตูนรกกันนะดังนั้นแม่น้ําที่ไหลไปยังบาดาลและปากน้ําใหญ่หน้าหวาดเสียวน่าสะเพงกลัวเมื่อไรเนอะจะพึงไหลตกไปด้วยกําลังฤทธิ์ไม่ติดขัดมันอยากจะเหาะไปดูอ่ะมันจะเป็นยังไงเนะาะปนั้นนะ ความต้องการของานกับแปลกๆ ก, กันนะอยากเหาะไปดูปากประตูนรกงนเมื่อไรเนาะเราจึงจักเว้นความเห็นว่านิมิตว่างามทั้งปวงเสียโดยเด็ดขาดเมื่อไรนะจะไม่มีสุภาพนิมิตในทุกอารมณ์เลยมั้งนั้นขวนขวายอยู่ในฌานแล้วทำลายความพอใจในเบญจากามคุณเสียได้เขียนะว่า ความยินดีความพอใจในกรรมคุณทั้งห้าที่ถือกรรมคุณทั้งห้าโดยความเป็นสุภาพนิมิตเนี่ยนะก็แปลว่าเมื่ อ, อไรจะไม่เห็นอารมณ์โดยสุภาพนิมิตแสดงว่าป่าถนาอะไรไม่อยากเห็นอารมณ์โดยสุภาพนิมิตเนี่ยแสดงท่านต้องการอะไรจิตที่รู้สุสภาพนิมิตจิตชนิดไหนโลภะนะก็บอกว่าเราจึงจักเว้นความเห็นนิมิตว่างามทั้งปวงเสียโดยเด็ดขาด คืออารมณ์ก็ยังเห็นเหมือนเดิมแต่ทำยังไงจิตจะไม่เป็นหรือจิตจะได้ไม่สำคัญหมายในความเป็นสุภาพนิมิตแบบนั้นอีกว่างอนันแล้วก็ทำลายความพอใจในการมาคุณห้าเสียได้เหมือนช้างทำลายเสาตะลุงและโซ่เหล็กแล้วเที่ยวไปในสงครามฉะนั้นความตรึกเช่นนี้ของเราจากสาเร็จเมื่ อ, อไหร่นอไม่อยากจะหลุดพ้นจากราคะเลิกเกิน่นนะเป็นเมื่ อ, อไหร่จะเป็นผ้าลหันสักทีเนี่ย จะเดินอย่างสบายๆเนี่นะเดินแบบคนไม่เป็นหนี้อย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าโลภะอยู่เต็มหัวใจนี่ก็เดินแบบคนเป็นหนี้เมื่อไรเนาะเราจึงจักละความพอใจในการมคุณได้บรรลุคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเกิดความยินดีเปรียบเหมือนลูกหนี้ผู้ขัดสนเมื่อถูกเจ้าหนี้บีบคั้นแล้ว สแสวงหาทรัพย์มาได้และชำระหนี้เสร็จแล้วพึงดีใจเช่นนั้นความตึกเช่นนี้ของเราเมื่ อ, อไรจักสำเร็จนอะเรียกว่าเมื่ อ, อไรจักใช้หนี้หมดอย่างนั้นเนะเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็จะท่องเที่ยวไปอย่างเพลิดเพลินเลยอยางนั้นคำว่าหนี้ในที่นี้เป็นชื่อของบทว่าอินัตโตวะทลิตตกูนิทิงอาราทยิตวาความว่าคนจนบางคนเป็นผู้มีการเลี้ยงชีพ เป็นปกติกู้หนี้เมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้มีคดีเพราะหนี้คืออึดอัดใจเพราะหนี้ถูกเจ้าทรัพย์บีบคั้นคั้นยินดีคืนอ่คั้นยินดีคือประสบขุมทรัพย์และชาระหนี้แล้วพึงเป็นอยู่ยินดีโดยความสุขชันใดแม้เราก็ฉันนั้นเมื่อไรจะพึงละกามมาชันทะาอันเป็นเสมือนกับผู้ไม่มีหนี้ พระผู้มีพระภาคแสดงไว้หลายแห่งนะว่าการ ม, มาฉันทานิวร์เหมือนกับคนเป็นหนี้แล้วประสบความยินดีในพระศาสนาของท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอันเป็นเสมือนขุมทรัพย์อันเต็มไปด้วยรัตตนะมีแก้วมณีและทองคําเป็นต้ น, เ, น, ตนเพราะเพียบพร้อมไปด้วยอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นความตรึกของเรานี้จกสาเร็จเมื่อไรเนาะ แต่ขาก็บเมื่อไรนะจะได้อริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าและใช้หนี้ให้หมดเลยนะใช้หนี้หมดแล้วก็ต บ, บายแลวหลุดแล้วไปไหนก็ได้แล้วกันีดูก่อนจิตนะนะสรุปแล้วที่ว่ามาทั้งหมดก็คือความคิดทั้งนั้นนะนะหลกของความคิดทั้งนั้นเออแต่คิดเรล่านี้เป็นกุศลนะัหาไม่ค่อยคิดแบบนี้แต่คิดแบบนี้ประเสริฐแล้วนะก็ได้เจริญตามรอยของพระอริยเจ้าแต่ปางก่อน แล้วท่านก็พูดกับจิตมาดูก่อนจิตท่านได้อ้อนวอนเราเป็นเวลาหลายปีแล้วว่าท่านไม่สมควรอยู่ครองเรือนเลยบัดนี้เราก็ได้บวชสมประสงค์แล้วเหตุไฉ น, นท่านจึงจะละทิ้งสมถะวิปัสสนามัวแต่เกียร์คร้านอยู่เล่าเหมือนกันแม่อ้อนวอนอยากจะบวชเลอะเกินเหมือนกันแม่อ้อนวอนอยู่ตั้งหลายปีด้วยกันกว่าจะได้บวชพราะบวชมาแล้วเนี่ยขี้เกียร์แล้วก็ทิ้งสมถะทิ้งวิปัสสนามิจเจริลเลย แสดงว่าคุยกับจิตรู้เรื่องกันนะจิตเป็นยังไงจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ในทวารทั้งหกนั่นแหละดูก่อนจิตท่านได้อ้อนวอนเรามาแล้วไม่ใช่หรือว่าฝูงนกยูงมีขนปีกอันแพรวและเสียงกึกก้องแห่งทานน้ำตกตามซอกเขาจะยังท่านผู้เพ่งชานอยู่ในป่าให้เพลิดเพลินคือถ้าหากว่า นกยูงเนี่ยนะร้องระงมไปหมดนะเนาะแล้วก็เสียงน้ําตกกระไลตกลงมาแล้วก็ท่านก็จะเพ่งชานอยู่ในป่าให้เพลดิเลดเพลินเลยนะแสดงว่าเสียงนกยูงร้องก็ที่นั่นก็ปราศจากคนสัญจรไปมาแล้วก็ใกล้น้ําตกเจริญชานทั้งลัคนูปณิสฌานและอารัมณูปณิสฌานในป่าให้เพลินเลเลยนะ เรายอมสละญาติและมิตรที่รักใคร่ในตระกูลสละความยินดีในการเล่นและกามาคุณในโลกได้หมดแล้วได้เข้าถึงป่าและบรรพชาเพศนี่แล้วนะที่ท่านเคยอ้อนวอนเราเนี่ยตอนนี้สําเร็จแล้วนะ่งั้นดูก่อนจิตส่วนท่านไม่ยินดีต่อเราผู้ดําเนินตามเสียเลยอย่างนั้นเอตอนมาบวชอย่างนี้แล้วไม่เห็นเอาด้วยเล ย, ยงนั้น เมื่อก่อนนี้อ้ อ, อนวอนันกจยากจะมาบวชเจริญสมถะวิปัสนาภาบวชเข้ามาแล้วเอ๊ะชักไม่เอาด้วยแล้วจิตเนี่ยเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าจิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ของผู้อื่นจะประโยชน์อะไรด้วยการร้องให้พี่ไรนะด้วยการร้องให้ร่ําพี่ายในเวลาทําสงครามกับกิเลสมนันนะขณะที่ทําสงครามกับกิเลสเนี่ยไม่ต้องร้องให้ไม่ต้องเสียใจสักอย่างนะนะเพราะจิตทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติหวั่นไหวดังนี้จึงได้ออกบวช สแสวงหาทางอันไม่ตายคือคบกับจิตอยู่กับจิตมานานแล้วสรุปแล้วจิตกัหมุนเวียนเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยทีนี้จะสแสวงหาธรรมะที่ไม่ตายแล้วเพราะจิตนั่นแหละตายจิตนั่นแหละเกิดนีเรียกว่าเกิดเรียกว่าตายกัจิตนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นจอมเท้าสกเทวราชเป็นจอมสารถีฝึกนรกตัดสุภาษิตไว้ว่านึกถึงพุทธพจน์หน่อยนะ จิตนี้กวัดแกงเช่นกับ ว, วานอนอเหมือนกับพญาหนุมานหรือเปล่า ก, กวัดแกว่งเรื่อยเนี่ยนะก็นั่งอยู่ที่เดียวนี่คิดไปกี่เรื่องแล้วนะนั่งกน็นั่งฟังทำมานี่คิดไปกี่อารมณ์ละ <laughs> หนึ่งคำให้หนึ่งอา ร, รมณ์ให้หนึ่งหนึ่งสมมติเราพูดแบบธรรมดาเนี่ยนะหนึ่งคำให้หนึ่งความคิดอย่างเงี้ยนะแล้วฟังคําพูดมากี่คําแล้วหมดหนังสือไปหลายหน้าแล้วสแสดงว่าคิดไปเยอะแล้วกลับบ้านไปหลายคนกันนะะคิดกับ ก็กลับและกลับอีกนลยไปมามั่งไปมั่งมามั่งอย่างนี้นะนะเข บ, บอกว่าจิตนี้กัดแกว่งเช่นกวานนอนห้ามได้แสนยากเพราะยังไม่ปราศจากความกัมหนั่นนะที่มันห้ามยา ก, กเพราะที่มันห้ามยากเราด้วยอำนาจโลภะนั่นแหละมันก็ตรึกไปเรื่อยนะด้วยอำนาจกามวิตกปูตุชนทั้งหลายผู้ไม่รู้เท่าทันพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายอันรู้แต่เป็นของงดงาม นะคือปุถุชนเนี่ยเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภาเนี่ยนะซึ่งก็ทุกอย่างก็งงงามไปหมดนะมีรถอร่อยน่าเรื่อนรมใจนะผ้ารหันไม่ใช่ไม่รู้นะว่าเออรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภาเนี่น่าเรื่อนรมใจใช่ไหมแต่ใจชนิดไหนที่ไปเรื่อน ร, รมกับสิ่งเหล่านั้นนะใจชนิดไหนที่ไปเรื่อนรมในรูปเสียงกลิ่นรสและโภตพภาโลภะอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นเป็นผู้สแสวงหาพบใหม่นะ พลในอารมณ์ไหนก็สแสวงหาพบใหม่ในอารมณ์นั้นในขณะนั้นเนี่ยนะกระทําแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์ชื่อว่าประสงค์ทุกะนะเพราะเข้าไปเพลิดเพลินเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ขณะนั้นเนี่ยทำสิ่งไม่มีประโยชน์ไหมโลภะเกิดขึ้นแล้วย่อมยังสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดไหมไม่เกิดนะนะโลภะย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นเหมือนั้นภัยที่เกิดขึ้นในภายในนี้คนโลภย่อมไม่รู้สึก ฉันคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นทำเมื่อไรที่ถูกความโลภครอบงำ ม, มืดหมดเลยขณะนั้นเนี่ยนะอริยสัจไม่มีซากอย่างเนี่ยนะทุกควรปริญญาก็ไม่มีสมุทัยควรประหานะก็ไม่มีนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรซากอย่างขนาดนั้นมืดอย่างเดียวเลยนะคิดจะเอาแต่อารมณ์นั้นอย่างเดียวนเหมือนันนะอยากจะสมหวังอย่างเดียวย่อมถูกจิตนําไปสู่นรกโดยแท้ท่านพระ อ, องค์เนี่ยสรุปไว้อย่างนั้นดูก่อนจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราไว้ว่าท่านจงเป็นผู้แวดล้อมด้วยเสียงร่ำร้องแห่งนกยูมและเสียงนกกระเรียนอีกทั้งเสือเหลืองและเสือโคร่งอยู่ในป่าท่านจงสลัความห่วงใยในร่างกายอย่ามีความอะไรเลยเนี่ยแนะนำให้ไปอยู่ในป่างเงีบเลยนะได้ยินแต่เสียงเสือเสียงค้างว่า ง, งั้นตายช่างมันว่า ง, งั้น น, นะเคยแนะนำกันว่าอย่างนี้ไม่ใช่เหรอว่า ง, งั้นดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนาเราว่า จงอุตสาหาเจริญฌานอินทรีย์พละโพชงและสมาธิภาวนาจงบรรลุวิชาสามในพระพุทธศาสนาโอเจริญโพธิปัจฉยธรรมบรรลุวิชาสามเลยนะเหมือนกันจิตเคยแนะนําำมาอย่างนี้ไม่ใช่หรองงือเหมือนกันคําว่าเจริญเนี่ยนะแปลว่าอะไรจงอุตส า, าเจริญอุตสาหเนี่ยนะอุตสาหเจริญคําว่าเจริญนี่แปลว่าอะไรเจริญนี่เป็นภาษ า, ขาเขมร น, นะเจริญก็คือมากอะ เจริญเจริญก็คือเอ ย, ย, ยอะๆอ่ะเพราะฉะนั้นคําว่าเจริญในที่นี้ก็คืออารกุลเจริญอ น, นอกันขอบคุณเจริญนะขอบคุณมากอ๋อขอบคุณเนอารกุลเจริญก็ขอบคุณมากนะเพราะฉะนั้นคําว่าเจริญก็คือทำให้เกิดแล้วก็ทำให้มันมากๆขึ้นนะคาว่าเจริญเนี่ย น, นะเจริญฌานอินทร์ภาละโพชงและสมาธิภาวนาบรรลุวิชาสามเหม น, นดูก่อนจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงเจริญอัดถังขี้กระมักเพื่อบรรลุพระนิพพานอันเป็นทางนำสัตว์ออกจากโลกออกจากทุกข์ให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเป็นเครื่องชาระล้างกิเลสทั้งปวงแม่เคยแนะนำให้เจริญอริยมรรคชนะจิตเนี่ยไม่ธรรมดาเนาะดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงพิจารณาเบญจขันธ์โดยอุบายอันแยบใเนี่ยนะคือนิโยนิโสมนสิกาพิจารณา ขันห้าว่าเป็นทุกข์จงละเหตุอันก่อให้เกิดทุกข์จงทําที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้เถิดเหม น, นก็คือปรารถนาว่าเนี่ยนะบอกว่าพิจารณาขันห้าโดยแยกคายโดยความเป็นทุกข์นี่แปลว่าทำป ร, ปริญญาในอุปาทานขันห้าหรือทุกขศัตร์จงละเหตุอันก่อให้เกิดทุกข์ก็ละสมุทัยศัตร์ ทำที่สุดแห่งทุกขคือนิพพานเ <c oughs> นี่ยนะเพราะฉะนั้นการเจริญธรรมะที่ทำที่สุดแห่งทุกก็คืออริยมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นปรารถนาจะแทงตลอดอริยสัตว์ในชาตินี้เย่างนั้น เ, เคยแนะนํากันไว้อย่างนั้นไม่ใช่เหรออย่างนั้นแต่ค่าคุยกับตัวเองอันนะที่บอกว่าพิจารณาขันห้าโดยความเป็นทุกข์ก็คือบริวารของคำว่าทุกข์อะไรบ้างบริวารของทุกก็คือโรคเนี่ยนะอันนี้ก็บริวารของทุกขหรืออาพาธเนี่ยนะ คำว่าโรคคำว่าอาพาธหรือฝีเนี่ยนะก็เป็นถ้อยคำที่พารนาถึงคำว่าทุกขหรือลูกศรหรือความคับแค้นนะอุปายาตเนี่ยนะพวกอาพาธเพราะฉะนั้นชราพยาธิโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตถ้อยคำเหล่านี้พารนาทุกทุกลักษณะของอุปท า, านขันหแล้วก็ละ ตันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกทำที่สุดแห่งทุกในชาตินี้ด้วยนะคุยกันไว้อย่างนั้นนะว่าจะต้องเป็นผ้าละหันในชาตินี้ด้วยดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนําเราว่าจงพิจารณาเบญฉันโดยอุบายอันแยบคายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นของว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้เป็นวิบัติและว่าเป็นผู้ฆ่าจงดับมโนปวิจารเสียโดยแยบคลายเถิดนั่นนะโอ้ถอยคําแต่ละคําเนี่ยนะ นะท่านนู้สรรหามาคิดนะออกมาอย่างนี้นเออมิน่าท่านสงสยัยสมัยเป็นนักร้องเนี่ยเป็นคนชวนาเล่นไวยแตกฉานอย่างนีเนี่ยนะพอไอ้พื้นฐานอุปนิสัยเดิมมาพิจารณาธรรมะเนี่ยมีอะไรให้ท่านตรึกเยะๆไปหมดเลยนะระดอดพอได้ในหน่อยเดียวเนี่ยไปยาวเลยนะมีอะไรให้ท่านพิจารณาเยอะท่านบอกว่าจงพิจารณาเบนจะขันโดยโยนิโสมนสิการว่าเป็นของไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงก็คือเพราะมีที่สุด นะครัว่าไม่เที่ยงคือมันมีที่สุดอะนะอะไรก็ตามที่มีที่สุดสิ่งนะั้นเรียกว่าไม่เที่ยงไม่ล่วงความเที่ยงไปได้ไม่ล่วงความไม่เที่ยงไปได้คือสรุปสิ่งนั้นอย่างไรต้องไม่เที่ยงแล้วก็เป็นของชั่วกาลนาน เ, าเป็นของชั่วกาล ร, ระยะหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะอย่างเช่นกายของเราเนี่ยเป็นของชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองสั้นๆแล้วก็ปฏิเสธความเที่ยงเ nee. มื่อไรนะจะเห็น ปัญญาพิจารณาขันห้าแบบนั้นแหละแล้วก็พิจารณาขันห้าโดยความเป็นทุกคำว่าทุกคืออะไรทุกก็คือถูกความเกิดและความดับเนี่ยบีบคั้นอยู่ตลอดอนนะถูกความเกิดความดับบีบคัน้นแล้วก็ที่ว่าเป็นทุกเพราะมีภัยเฉพาะหน้าแล้วก็ทนได้ยากแล้วก็ปฏิเสธความสุขนะในสิ่งเหล่านั้นมีสุขไหมไม่มีเนาะแล้วก็ พิจารณาขันห้านั่นแหละโดยความเป็นของว่างเปล่าอคำว่าว่างเปล่าก็คือโดยความเป็นของว่างคือไม่เป็นไปในอํานาจเนี่ยนะคําว่าว่างในที่นี้ก็คือประกาศถึงความเป็นอนัตตาขันห้ามีไหมมีแต่ถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีเพราะถ้าบอกว่าขันห้ามันก็ไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหม เส่แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นไปในอำนาจรูปประคั้ก็เรื่องของรูปไปเกิดจากสมุธฐานเกิดจากปัจจัยของรูปเวทนาก็เกิดจากปัจจัยเกิดจากสมุธฐานของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยของเขาของเขาไปเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสักอยู่ในนั้นและไม่มีเจ้าของไม่มีสาระนะมีอัตตาสาระอยู่ในขันห้าไหมมีนิจจาศาระสุขาสาระแล้วก็สุภาพสาระไหมไม่มีเนาะ แล้วก็ปฏิเสธอัตตาดังนั้นของเหล่านี้เป็นของที่วิบัติเป็นของชั่วคราวแล้วก็ขันห้าเหล่านี้เป็นผู้ฆ่าเนี่ยนะเป็นผู้ฆ่าเพราะอะไรหมาภูต ร, รูปมันก็ฆ่ากันเองด้วยนะใครเลี้ยงธาตุดินไม่ดีเนี่ยมันไปฆ่าธาตุน้าําธาตุไฟธาตุลมด้วยนะตักเลี้ยงธาตุลมไม่ดีมันไปฆ่าธาตุอื่นๆอีกธาตุสีมันก็ฆ่ากันเองด้วยนะเพราะเขาก็เป็นรูปประคันใช่ไหมเมื่อหมาภูต ร, รูปซึ่งเป็นผู้ฆ่าแล้วมฆ่าอะไรต่อ ถ้ารูปมันฆ่ากันได้เนี่ยนะเวทนาซึ่งอาศัยรูปเกิดเวทนาก็เลยถูกฆ่าด้วยสัญญาสังขารวิญญาณเลยถูกฆ่ามันก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่นั่นแหละและจงดับมโนปวิจารเสียโดยเยบไข่เคยได้ยินนะมโนปวิจารสิบที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับปุกุสสาติกุลบุตรนะมโนปวิจารสิบก็คือมโนปวิจารการตรึกถึงรูปเนี่ยนะ พิจารณาถึงโสมนัสเป็นต้นอันอา ศ, ศัย işte. เรือนนะก็คือนึกถึงรูปใช่ไหมรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสอันอา ศ, ศัยเรือนอย่างหนึ่งอาศัยเนคขมะอย่างหนึ่งแล้วก็รูปนั้นอ่ะเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสอันอา ศ, ศัยเรือนและอา ศ, ศัยเนคขมะรูปนั้นแหละเป็นเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนาอันอาศัยเรือนและเนคขมะเพราะฉะนั้นเนื้อรูปได้เวทนาสใช่ไหม ได้เวทนาสามคือสุขทุกข์แล้วก็ในในรูปรูปเดียวเนี่ยนะอาศัยเนคขมะและเคหาสิตะด้วยเนี่ยนะไม่รู้ว่าหกทวารแล้วไดสิบแปดอะเวทนาสามคูณอารมณ์หกก็เท่ากับสิบแปดเนี่ยนะแล้วก็โสมนัสอาศัยเรือนโสมนัสอาศัยเนคขมะด้วยนะ เพราะฉะนั้นจงดับมโนโปวิจาร์เสียโดยเย็บคลายเถิดว่างั้นดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงปลงผมและหนวดแล้วถือเอาเพศสมณะมีรูปลักษ์อันแปลกประหลาดว่างั้นะอันถูกเขาสาบแช่งว่างั้นะนักบวชนี่นะเเหมือนเขาสาบแช่งว่างนันนะถือบาทเที่ยวพิกษาตามตระกูล จงประกอบตนอยู่ในคำสอนของพระบรมศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะซึ่งที่จริงแล้วพระองค์ก็ได้ได้ไดตรัสไว้ในสังยุตตนิกาเนี่ยนะในปินโดรยะสูตรสังยุตตนิกายขันธวรวักรเนี่ยนะในข้อ167ว่าดูกานพิสูจน์ทั้งหลายข้อเลว3ามของการเลี้ยงชีพทั้งหลายก็คือการสแสวงหาบินทบาตเนี่ยนะ สแสวงหาบินทบาตกระขอทานต่างอะไรกันนะก็ไม่ต่างกันนับว่าเป็นความเดวซามที่สุดแล้วภิกษูทั้งหลายย่อมได้รับคํำสาบคําแช่งคําด่าในโลกว่าเป็นผู้มีมือถือบาตเที่ยวสแสวงหาบินทบาทแต่สำนวนเราก็คือเที่ยวถือกระลาขอทานเหมือนกันเถอะถ้าใครถ้าใครเป็นคนที่ตกต่ำถึงที่สุดตามธรรมดาชาวโลกทั่วไปก็คือสำนวนเที่ยวถือกระลาขอทานเหมั้น พระองค์ก็ตัดว่าอย่างนั้นอ่ะเป็นความเลวซามในการเลี้ยงชีพทั้งหมดอย่างั้นดูก่อนพี่สุทั้งหลายก็กูรบุตรทั้งหลายเป็นอ่าเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาหาสายอำนาจแห่งเหตุจึงเข้าถึงความเป็นผู้สแสวงหาบิณฑบาตนี้แหละแต่มีเหตุนะจึงต้องบิณฑบาตอย่างนั้นแทะไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันนะที่มาบวชเที่ยวบิณฑบาตไม่ได้หนีราชทันมา ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวแล้วไปบวชไม่ใช่เป็นคนมีหนี้ไม่ใช่เป็นคนมีภัยไม่ใช่เป็นคนมีอาชีพอันแรนแค้นแล้วต้องมาบวชว่างั้นดูกรที่สูตรทั้งหลายก็อีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าคําว่ากุลบุตรนี้มีสองอย่างนะหนึ่งกุลบุตรโดยอาจาระคือกุลบุตรโดยมารยาทโดยความประพฤติอย่างหนึ่งกับสองกุลบุตรโดยตระกูลว่างั้น เพราะนั้นกุลบ <Leonard> <N ab und i> ุตรนี้บวชโดยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้อันชาติชรามารณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตครอบงำแล้วนะคือเป็นผู้ที่มีทุกอย่างเอาแล้วใช่ไหมทุกโขตินนาอะไรนะทุ้การว่าไงนะทุกโขตินนาใช่หมทุกขัปริตา เป็นทุกเขาเรียกว่ามีทุกอย่างเอาแล้วมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมันยงไงทำชะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกจักปรากฏขึ้นแก่เราได้ัมีทุกเป็นเบื้องหน้าไหมเอ้าไปที่ไหนก็เพื่อไปเห็นน่ะเห็นเนี่ยทุกไหมเที่ยงไม่ละสิ่งนันไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกนั้นมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วไปเห็นไปได้ยินไปดมกลิ่นไปคิดนึกนั้นเป็นผู้มีวัตถุทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วนั้น เพราะฉะนั้นเป็นผู้มีทุกครอบงามแล้วมีทุกประจําแล้วนะนะเป็นถูกทุกเนี่ยครอบงามแล้วชนะย์เนอการทําที่สุดแห่งกองทุกนี้จะพึงปรากฏได้เหมนกนเดกุลบุตรเนี่ยที่บวชมาเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีชาติชราพยาที่มรณโะโสกปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาตโอ้เราเนี่ยเป็นผู้มีทุกเหล่านี้ทั้งหมดครอบงามแล้วอย่างลงแล้วมีทุกเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเบื้องหน้าแล้วทํายังไงนะัด ที่สุดแห่งทุกเหล่านี้จึงจักปรากฏได้คาว่ากุลบุตรนี้มีสองอย่างนะหนึ่งกุลบุตรโดยอาจาระคือกุลบุตรโดยมารยาทโดยความประพฤติอย่างหนึ่งกับสองกุลบุตรโดยตระกูลว่าไเพราะฉะนั้นกุลบุตรนี้บวชโดยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้อันชาติชรามารณะโซกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตครอบงมแล้วเห็นะคือเป็นผู้ที่ มีทุกอย่างเอาแล้วใช่ไหมทุกโคตินนาอะไรนะผู้การว่าไงนะทุกโคตินนาใช่ไหมทุกขปเรตาเป็นทุกอะไรเรียกว่ามีทุกอย่างเอาแล้วมีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วอะไรเงี้ยชนาการทําที่สุดแห่งกองทุกจักปรากฏขึ้นแก่เราได้มีทุกเป็นเบื้องหน้าไหมอ้าวไปที่ไหนก็เพื่อไปเห็นน่ะเห็นเนี่ยทุกไหม เที่ยงไหมล่ะ ส, สิ่งนัไม่เที่ยงสิงนั้นแหละเป็นทุกข์มันมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วไปเห็นไปได้ยินไปดมกลิ่นไปคิดนึกนั้นเป็นผู้มีวัตถุทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วว <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นผู้มีทุกขนะนะ์ครอบงามแล้วมีทุกข์ประจําแล้วนะนะเป็นถูกทุกข์เนี่ยครอบงามแล้วชนะไหนอนาะการทําที่สุดแห่งกองทุกข์นี้จะเพึงปรากฏได้เพราะงั้นแต่ กุลบุตรนี่ที่บวชมาเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีชาติชราพยาธิมรณาโสกปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาตโอ้เราเนี่ยเป็นผู้มีทุกเหล่านี้ทั้งหมดครอบงามแล้วยังลงแล้วมีทุกเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเบื้องหน้าแล้วทํำยังไงนะที่สุดแห่งทุกเหล่านี้จึงจับปรากฏได้แต่ว่ากุลบุตรนั้นเป็นผู้มากไปด้วยอภิชาคือที่บวชเนี่ยเพราะเหตุเนี่ยที่มาบวชเนี่ยนะเห็นโทษภัยของชาติชราเป็นต้นแล้วมาบวช แต่ว่าบวชเข้ามาแล้วเป็นผู้มากด้วยอภิชามีราคะกล้าในกามทั้งหลายลสรุปแล้วบวชมาใจวันๆหนึ่งก็เป็นไปกับโลภะอย่างเดียวมีจิตพยาบาทมีความดํารีแห่งใจเสียอันโทสะประทุสร้ายแล้วมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่เป็นสมาธิมีจิตหมุนไปผิดไม่สารวมอินทรีย์คือสรุปแล้วไม่ได้ปฏิบัติสมณกิจอะไรสักอย่างดูก่อนที่สูทั้งหลาย เรากล่าวบุคคลผู้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งครือขัดก็ด้วยว่าไม่ทําประโยชน์คือความเป็นสั ม, มณะให้บริบูรณ์ด้วยนะคื อ, อพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยโภคะของค า, ารวะก็เสื่อมไปแล้วใช่ไหมอันนี้แล้วก็ไม่ทําประโยชน์คือความเป็นส ม, มณะให้บริบูรณ์เสียประโยชน์สองอย่างเลยประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้สักอย่างประโยชน์ทางธรรมก็ไม่มี ว่ามีอุปมาเหมือนกับคนลักษณะนี่นะดุ้นฟืนในที่เผาศพซึ่งไฟติดทั่วทั้งสองข้างหัวท้ายเนี่ยไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนคูดจะใช้เป็นฟืนในบ้านก็นไม่ได้ใครจะเอาไปหุงข้าวต้มแกงนะฟืนแบบนี้โหสไม่ดีนั ก, ก น, นะเรียกว่าจุดๆนะจะเอาไปเป็นฟืนในป่าก็ไม่ดีเหมืนกันหรือจะเอามาทา บ้านทําเป็นเครื่องใช้ในของใช้ในบ้านก็าไหมเอามาทําร่วมเอาไหมเนีย่ยนะฟืนแบบนี้เอามาทําร่วมไหมเนยนะหรือเอาไปทํากระท่อมในเขียงนาวา่าโอ้ยกลัวผีที่้สุดเลยนะเอาฟืนแบบนี้มาไม่ดีบหงืนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วต้าก็เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นที่ท่านพระตาลาบุตรกล่าวว่าดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนําเราว่าจงโปรงผมและหนวดแล้วถือเอาเพศสมณะมีรูปลักษณะอันแปลกต้องถูกเขาสาบแช่งเหมือนั้นเล รือเอาบาทเที่ยวพิกษาตามตระกูลคือท่านอ้างสูตรนี้เข้าไปจงประกอบตนในคำสอนของพระบรมศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงสำรวมระวังเมื่อเวลาเที่ยวไปบินธบาตามระหว่างตรอกอย่ามีใจเกี่ยวข้องในตระกูลและกามารมณ์ทั้งหลายเหมือนพระจ้าในวันเพ็ญเว้นจากโทษฉะนั้น คือเวลาเที่ยวไปบินทบาทก็ไม่ใชะมีใจไปเกี่ยวข้องกับในบ้านต่างๆในบางสูตรเนี่ยเขบอกว่าการเข้าไปบินทบาทกับการเข้าเข้าทหารเข้าสนามรบเนี่ยพอกันนะเขาบองั้นเพราะว่ า, าบางทีเข้าไปบินทบาทแล้วมีมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะไปแล้วก็ไม่สํารวมตาไปถือเอานิมิตอนุพยัญชนะกลับมานอน ฟ, ฟุ้งฝันอยู่กุฏิอย่างเดีย ว, วงั้นนะเหมือนก็ออกรบนั่นแหละถ้าหากว่ากลับมาแล้วจิตเป็นบาปอยู่ที่กุฏิอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร โอ้คาศึกเนี่ยทำลายโลกุตระธรรมไปเยอะแยะแล้วทำลายอริยศัพ์คือศรัทธาขณะที่ขณะโลภะเกิดมีศรัทธาไหมไม่มีนะคนเกียดคร้านเลยอย่างนั้นเถิดดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงยินดีในทุดงคุณทั้งห้านะที่แรกกระบวตว่าจะเอาทุดงเลยเนาะ คืออยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งนะเที่ยวบินธบา เ, น า, าเป็นวัดอยู่ป่าชาบเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดถือการไม่นอนเป็นวัดตลอดการทุกเมื่อเธอเหมือนกันบวชทีแรกเนี่ยตั้งใจจะเอาอยางนั้นเนอะคุณลุงไปท่องจบเรี อ, อยงทวดอง <c oughs> เอาเอาวิสุดที่มรสีและนิเทศตายจะไปท่องหรือเ <c oughs> มืมีโครงการว่าเออหน่าจะชวนๆกันท่องหรือเมืบอกเอาทําตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างก่อนแนละ้วไง ให้ท่องได้สักเล่มก่อนแล้วจะได้ชวนคนอื่นถูกว่า ง, งั้นมีสินค้าตัวอย่างแล้วนะบอกวก็าถามครั้งหนึ่งได้สองหน้าว่า ง, งั้นอีกครั้งหนึ่งไม่เดินเลยตอนนี้หนังสือยับหมดแล้วมนะั้งบอกว่าบุคคลผู้ต้องการผ ล, ลไม้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วเก็บผลไม่ได้ก็ประสงค์จะโค่นต้นไม้เสียฉันใดแปลว่าปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ออกลูกนะโค่นซะ ดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านแนะนำเราผู้ใดให้หวันไหวในความไม่เที่ยงท่านจงทำเราผู้นี้ให้เหมือนบุคคลผู้ปลูกต้นไม้ไว้ฉะนั้นเถิดดูก่อน จ, นะนะจิตผู้หารูปไม่ได้นะจิตผู้หารูปไม่ได้ใครเคยเห็นรูปจิตไหมมันกลมๆรึเปล่าเอาไม่ใช่นะจิตไม่มีสีสันอะไรสักอย่างไม่มีสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีน้าตาลไม่มีสักอย่างในจิตเลย น, นะ เพราะฉะนั้นผู้หารูปไม่ได้คือไม่มีสีแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไปได้ในที่ไกลนั่งอยู่ตรงนี้คิดถึงกอเมนได้เลยนะนะนะไปไกลขนาดนั้นนะวัดเนี่ยนะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวจิตเนี่ยใครเคยคิดทีสองดวงเลยนะคิดพร้อมกันสองดวงเลยมีไหมไม่มีมมมมนะเพราะฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวว่ากันเขาคิดทีละดวงถ้าใครคิดสองดวงก็คือแสดงว่าคิดข้างเดียวสองอารมณ์เลยใช่ไหมแต่นี้ไม่มีคิดได้ทีละอารมณ์ แล้วทีละดวงเลยนะมัไม่มีใครคิดพร้อมกันสองดวงเลยนะเพราะฉะนั้นในทีแค่ะคะสูตรกล่าวถึงเวทนาใช่ไหมว่าเวทนาเนี่ยถ้าสวยสุขก็ไม่ได้ทุกไม่ใช่อุเบกขาสวยแต่เวทนาอันเดียวอันนี้จิตก็ลักษณะนั้นถ้าโลภะเกิดขนาดนั้นโทสะจิตไม่เกิดโมหะจิตไม่เกิดจิตชาติอื่นๆก็ไม่เกิดเกิดแต่เข้าอันเดียวเท่านั้นแหละ บัดนี้เราจะไม่ทําตามคําของท่านแล้วจะปฏิวัติจิตแล้วนะคบกันมาตั้งนมนานแล้วนะเกี่ยวข้องกันมานานแล้วตอนนี้ว่าจะเอาคืนแล้วนะว่างั้นจะไม่ทําตามคําของท่านเพราะว่ากามทั้งหลายล้วนเป็นทุกมีผลเผ็ดร้อนเป็นภัยใหญ่เราบอกว่าเป็นภัยใหญ่หลวงว่างั้นจะเป็นมหาภัยเลยรว่างั้นกามเนี่ยเราจะมีใจมุ่งพระนิพพานเท่านั้นเรา ไม่ได้ออกบวชเพราะหมดบุญเนี่ยนะคือที่บวชเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีบุญหมดสิริแล้วถูกเขาประจานปรนามเป็นคนที่ไม่มีที่ไปแล้วมันก็ไม่ใช่เหมือนกันหรือว่าเพราะไม่มีความละอายหรือว่าเราไม่ได้ออกบวชเพราะเหตุแห่งจิตเนี่ยนะคือคือบอกว่าคนบางคนคิดฟุงฟ้งซ่านใช่ไหมพักนะบวช ด, ดีกว่าเดี๋ยวไปเข้ารัฐที่โน่นมั่งเดี๋ยวไปเข้าลัฐ ท, ที่นี้มั่งเหมือนกับคนคน ไม่ค่อยเต็มอะ น, นะคิดไปเรื่อยแล้วก็ทำไปเรื่อยไม่ได้บวชเพราะจิตแบบนั้นนะหวังอันเพราะเหตุแห่งการทําผิดต่อชาติบ้านเมืองไม่ได้บวชเพราะว่าเป็นผลมีคดีติดตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ได้ออกบวชเพราะเหตุแห่งอาชีพ น, นะนะเรียกว่าทบทวนถึงเจตนาลมที่เข้ามาบวตตั้งแต่ต้นดูก่อนจิตท่านได้รับรองกับเราไว้ว่าจักอยู่ในอํานาจของเราไม่ใช่หรืออา้าวทีแรกบอกกันนี้ว่าจะเชื่อฟังใช่ไหม จะสงบเลยแบบนั้นนี้เหมือนใชล่ละดูก่อนจิตท่านได้แนะนําเราไว้ในครั้งนั้นว่าความเป็นผู้มักน้อยการละความลบหลู่คุณท่านและความสงบประงับทุกข์สัตว์บุรุษทั้งหลายสารเสริญแต่บัดนี้ท่านกลับเป็นผู้มกักมากขึ้นเราไม่อาจกลับไปสู่ตันหาราคะอวิชชาเนี่ยนะความรักความชังรูปอันสวยงามสุขเวทนาและเบญจา ก, กามคุณ อันเป็นที่รื่นรมใจนะเป็นของที่ชอบใจที่เราคายแล้วเสียอีกเหมือนกันคือสรุปว่าเมื่อก่อนเนี่ยวังว่าจะบวชแล้วมักน้อยละการลบหลู่คุณท่านแล้วก็สงบประงับทุกข์รู้แจ้งอริยสัจเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะโลภะตันหาวิชาความรักความชังในรูปสวยได้สุขเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราขายเสียแล้วเหมือนกัน เพราะฉะนันเราจะไม่กลับไปหาอีกดูก่อนจิตเราได้ปฏิบัติตามถ้อยคำของท่านในภพทั้งปวงแล้วเราไม่ได้มีความคุณเคืองต่อท่านหลายชาติมาแล้วก็คือแม่รู้สึกชอบอกชอบใจกันคบกันมาอย่างนีมาหลายร้อยชาติด้นะเพราะความที่ท่านไม่มีความกระตันอยู่จึงปรากฏมีอัตภาพนี้อีกคบกันมาตั้งนานเนี่ยนะทความคุ้นเคยเลี้ยงดูเอาใจเอาโมทุกอย่างเลยนะ แต่ก็เอาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอัตภาพให้อีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านทําให้เราต้องท่องเที่ยวไปในทุกมาช้านานแล้วใช่ไหมอันต้องพูดแต่เวลาตัดสรุแล้วอเนกชาติสังชารังสันทาวิสังอดิพิสังเนี่ยนะค์ก็แปลงอุทานมาโอ๊ยแต่หาคือนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยนะตอนนี้เรือนของข่านเนี่ยเราเรื้อละวั ง, งั้นเนี่ยยอดเรือนก็หักให้หมดดูก่อนจิต ท่านทําเราให้เป็นพรหมก็มีเพราะงั้นน่ยบางครั้งให้เจริญชานเป็นพรหมเลยเนาะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีเพราะอํานาจแห่งท่านบางคราวเราเป็นแพทย์เป็นแพทย์ก็คือชนชั้นชั้นกลางๆของอินเดียเนี่ยนะหรือว่าเป็นสูตรเป็นชั้นกรรมกรว่างั้นหรือบางทีก็เป็นเทพเจ้าก็มีเพราะอํานาจแห่งท่านเพราะเหตุแห่งท่านมีท่านเป็นมูลเหตุบางครั้งเราก็เป็นอาสูร บางคราวเราก็เป็นสัตว์นรกบางคราวก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางคราวเป็นเปรตท่านได้ประทุษร้ายเรามาบ่อยๆมีใช่หรือคบกันมานานเนี่ยนะพาวนเวียนในพบน้อยพบใหญ่ที่ที่ไปทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะเหมือนใครไปมาเยอะแนละ้วเนาะไปทุกขนทุกแห่งนะเขาชวนไปเรื่อยเนาะตรงนั้นทีตรงนี้ทีบัดนี้เราจักไม่ทำให้ท่านเหมือนการก่อนอีกแล้วนะจะไม่ตามใจอีกแล้วนะ แม้เพียงครู่เดียวท่านได้โล่ลวงเราเป็นเหมือนกับคนบ้าได้ทำความผิดให้แก่เรามาแล้วไม่ใช่หรือท่านนี่รู้ไหมว่างั้นท่านนี้ก่อทุกข์่อโทษให้เรามามากแล้วจิตนี้แต่ก่อนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณ์ต่างๆตามความประสงคนะ์เมื่อก่อนอยากคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยตามความใคร่ตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นไว้ด้วยโยนิโสมนสิกันวันนี้แหละว่างั้นเล จะคมด้วยอุบายอันแยบคายด้วยโยนิโสดัดงนายหัดถาจาร์คมช้างตัวตกมันไว้ด้วยขอฉะนั้นภาษาสดาของเราได้ทรงตั้งโลกนี้คือก็ว่าทรงอธิษฐานด้วยพยานถึงขันธโลกเป็นต้นเนี่ยนะทรงตั้งคือพระ อ, องค์เนี่ยทรงแทงตลอดเรื่องขันธโลกอายตนะโลกเป็นต้นแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นแก่นสารเนี่ยนะไม่มีสาระว่า ง, งั้นเถอะ ในขันห้าไม่มีสุขศาสระ <c oughs> ดูก่อนจิตท่านจงพาเราบ่ายหน้าไปในศาสนาของพระชินสีจงพาเราข้ามจากห่วงน้ําใหญ่ที่ข้ามได้แสนยากด้วยอริยมักวันนี้ท่านพาเราไปตามมารยมักทีสิเหมือนกันดูก่อนจิตเรือนคืออัตภาพของท่านนี้ไม่เป็นเหมือนการก่อนเสียแล้วเพราะเราจักไม่เป็นไปตามอํานาจของท่านอีกต่อไป เราได้ออกบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่แล้วสมณะทั้งหลายผู้ทรงความพิราณไม่เป็นเช่นเราภูเขามาหาสมุทรแม่น้ํำคงคาเป็นต้นแผ่นดินใหญ่ทิศใหญ่ทั้งสี่ทิศน้อยทั้งสี่ทิศเบื้องบนเบื้องต่ําและพบสามล้วนแต่เป็นสภาพไม่เที่ยงมีแต่ถูกเบียดเบียนอยู่เสม อ, โ, อโหนะ ใครครวรหมดเลยในอารมณ์ในทุกขนทุกแห่งในทุกทิศและในขันหา้าไม่มีเที่ยงแม้แต่นิดเดียวเลยนะในสภาพเหล่านั้นสแสดงว่าอนุปัสสนาของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาดูก่อนจิตท่านจะไปในที่ไหนเล่าจึงจะมีความสุขรื่นรมทุกขนทุกแห่งไม่มีที่เที่ยงซากอย่างเลยนะทั้งภายในทั้งภายนอกไม่มีที่เที่งยง ไ, ไปหาที่ที่มันสนุกดูสิที่ไหนที่มันน่าเพลิดเพลินมีหรือเปล่าลองไปดูเหมือนกันดูก่อนจิต เบื้องหน้าแต่จิตของเราตั้งมั่นแล้วท่านจะทำอะไรแกเราได้เราจากไม่เป็นไปตามอานาจของท่านแล้วบุคคลไม่ควรถูกต้องท่ายสองปากคือร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดท่ายสองปากก็คือถ้าของเราก็ข้างบนข้างล่างใช่ไหมที่ไหลเข้าไหลออกของของไม่สะอาดนะนะคือร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีช่องก้าวช่องเป็นที่ไหลออกหน้าตีเตียนท่านผู้ไปสู่เรือนคือถ้า ที่เงือมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสัตว์ป่าคือหมูและกวางและในป่าที่ฝนตกใหม่ๆจกได้ความรื่นรมย์ใจณที่นั้น ฟ, ฟูงนกยูงมขีขนที่คอเขียวมีงอนและปีกงามลำแผนหางมีแวววิจิตรนักส่งสำเนียงกล้องกังวานไพเราะจับใจ ท่านยังจากยังท่านผู้บำเพ็ญฌานในป่าให้ร่าเริงได้เมื่อฝนตกแล้วหญ้างอกยาวประมาณสี่นิ้วนะฝนตกใหม่ๆเนี่ยนะท้องฟ้างามแจ่มใสไม่มีเมฆปกคลุมเมื่อท่านทำตนให้เสมอด้วยไม้นะวางใจเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนแบบนั้นแลนอนอยู่บนหญ้าระหว่างภูเขานั้นจะรู้สึกอ่อนนุ่มดังสำลี เราจะกระทําให้เหมือนผู้ใหญ่จะยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้บุคคลผู้ไม่เกียรติคร้านย่อมกระทําจิตของตนให้สมควรแก่การงานฉัน้นใดนะคนที่ไม่ขี้เกียจก็ฝึกจิตทําจิตให้อ่อนควรแก่การงานเนี่ยนะเป็นกรมมัญญาตาเป็นปาคุญญาตาเป็นละหูตาได้เราจะกระทาจิตฉันนั้นเหมือนบุคคลเลื่อนถุงสายแมวไวฉ้ฉะนั้นเราจะทําให้เหมือนผู้ใหญ่จกยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นะสันโดษอริยะวงเป็นแบบแผนของภาริยะต้องสันโดษเหมือนกันจักนท่านไปสู่อำนาจของเราด้วยความเพียร น, นะพอสันโดษแล้วก็มีวิริยะมีสัมมาปทานเหมือนนายหัตถาจารผู้ฉลาดนําช้างที่ซับมันไปสู่อำนาจของตนด้วยขอฉะนั้นเราย่อมสามารถที่จะดำเนินตามหนทางอันกเกษมสุขซึ่งเป็นทางอันบุคคลผู้ตามรักษาจิตนะ จิตนี่จะต้องอาศัยการรักษาไนงะเอาอะไรเป็นเครื่องรักษาจิตดิเอาเมื่อเห็นเนี่ยเร า, เอาอะไรรักษาสิขาสามคะ่ะด้วยศีลเป็นต้นนั่นเองนะท่านคนที่จะรักษาจิตเห็นแล้วก็ต้องปลาบรอบเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจึงจะชื่อว่ารักษาจิตได้เห็นแล้วกุศลศีลเป็นต้นไม่เกิดก็แสดงว่าเป็นคนปล่อยจิตแล้วไงนะ จะเป็นคนที่รักษาะจะเป็นบุคคลผู้ตามรักษาจิตได้ดำเนินมาแล้วทุกสมัยด้วยหาไทยที่เที่ยงตรงที่ท่านฝึกฝนไว้ดีแล้วมั่นคงแล้วเปรียบเหมือนนายอัศาจรารย์คืออาจารย์ม้าเนี่ยนะสามารถดำเนินไปสู่ภูมิสถานที่ปลอดภัยด้วยม้าที่ฝึกดีแล้วฉะนั้นเราผูกจิตไว้ในอารมณ์คือกรรมฐานด้วยกาลังภาวนา เหมือนนายหัตถาจาร์มัดช้างไว้ที่เสาตะลุงด้วยเชือกอันมั่นคงฉะนั้นจิตที่เราคุ้มครองดีแล้วอบรมดีแล้วด้วยสติจักเป็นจิตอันตันหาเป็นต้นไม่อาศัยในภพทั้งปวงนะถ้าอบรมจิตแล้วก็ตันหาไม่อาศัยแล้วนะท่านจงตัดทางดำเนินที่ผิดเสียด้วยปัญญาข่มใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกด้วยความเพียร ได้เห็นแจ้งทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วจักเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าผู้มักแสดงคำอันประเสริฐใช่ไหมถ้าเห็นความเห็นอุปาทานคันห้าโดยความเกิดและความเสื่อมนะไม่นานจะได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะพระองค์กล่าวว่าการตรัสรู้เนี่ยสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่จึงจะบรรลุทําได้ถามว่ารู้อะไรเห็นอะไรก็รู้ว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ ความดับแห่งรูปเป็นต้นนั่นแหละดูก่อนจิตท่านได้นําเราให้เป็นไปในอํานาจของความเข้าใจผิดคือวิปลาสสประการเหมือนบุคคลจูงเด็กชาวบ้านวิ่งวนไปฉะนั้นถูกถูกวิปลาสเนี่มันจูงไปเรื่อยๆนะท่านควรคบหาพระสัตวธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านควรคบหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้น ท่านเนี่ยวิปลาสจิตเนี่ยพาให้เราไปกับวิปลาสมามากแล้วตัางแัน่นี้ไปเนี่ยขอคบพระพุทธเจ้าผู้ตัดสังโยชน์ได้แล้วเพียบพร้อมไปด้วยพระมหากรุณาเป็นจอมปราบมีใช่หรือมรกคชาตเนี่ยนะพวกเนื้อเป็นต้นเนี่ยนะเข้าไปยังภูเขาอันน่ารื่นรมประกอบด้วยน้ำและไม้เที่ยวไปในป่าอันงดงามตามลำพังใจฉันใดดูก่อนจิต ท่านก็จะรื่นรมอยู่ในภูเขาที่ไม่เกลื่อนกลนด้วยผู้คนตามลําพังใจฉะนั้นเมื่อท่านไม่ยินดีอยู่ที่ภูเขานั้นท่านก็จะต้องเสื่อมโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อไหรที่เบื่อที่วิเวกแสดงว่าเสื่อมแล้วว่างั้นดูก่อนจิตหญิงชายเหล่าใดประพฤติตามความพอใจตามอำนาจของท่านแล้วสเสวยความสุขใดอันอาศัยเบญจากามคุณ หญิงชายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้โง่เขาตกอยู่ในอำนาจของมารเป็นผู้เพลิดเพลิน อ, อยู่ในพบน้อยพบใหญ่และชื่อว่าเป็นสาวกของท่านนะใครเป็นสาวกของจิตหรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนี้ฟังจิตฝ่ายเดียวนะจิตแนะนำยังไงก็ไปเอาตามจิตว่าหมดแล้นะแต่ตอนนี้ดูสิว่าจะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกของจิตนะกน พร ะ, พพระตาลาบทนี้ท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วของเราเป็นสาวกของจิตนะดูที่ว่าจิตเขาจะบอกไปไหนอีกทำไมพระมีจึงได้จึงได้กุฏิานยาวจั ง, ง <c oughs> คือท่านปราถถึงวิธีปฏิบัติของท่านเนี่ยนะท่านคงมีลูกศิษย์เยอะเมื่อลูกศิษย์เยอะก็ต้องเอาอุบายวิธีต่างๆที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ย แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยในขณะเดียวกันเ น, นะนี่ยนออะอ่คือปกติก็นักร้องอยู่แล้วนะนะอดีตอดีตก่อนบื่ท่านอ่ะนะและขณะเดียวกันเนี่ยท่านคงมีลูกศิษย์เยอะเมื่อลูกศิษย์เยอะเนี่ยท่านก็ต้องบอกอุบายวิธีการดาเนินตามข้อปฏิบัติให้ให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รู้ว่าท่านสอนจิตแบบนี้เป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะ ทําให้เห็นว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันวุบวับอะไรขึ้นมาสักอย่างหมันเป็นการวิจัยเป็นความรอบรู้เป็นการตั้งจิตเป็นความแยบคายของความคิดอย่างจริงๆอ่ะน ะ, ะแล้วก็สามารถที่จะทํากิตของอริยสัจทั้งสี่ประการได้หมดแต่ว่าโดยสรุปแล้วในคาถาของท่านนั้นก็คือการใครค่ครวญเรื่องอริยสัจทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพื่อที่จะได้จิตไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของตัณหาแล้วก็จิตเป็นไปตามอํานาจของปริญญาใคร่ครวญถึง ขันห้าทั้งหมดเลยนะจบแล้วจบแล้วท่านาบารรลุเป็นบ้าอาหารแล้วใช่ไหมท่านบารรลุแล้วเพราะบารรลุแล้วจึงเอามาพูดคือดูเรื่องนี้แล้วนี่นะครับเป็นเรื่องของของเป็นการงานทางใจหมดเลยนะพระผพุทธภาคทรงทําหนิพระภิกษุนะครับที่ไปติดข้องกับการงานถ้าหากว่าไม่มีการงานนั่นแล้วแนละ้จะอยู่เฉยๆจะทําอะไร ถ้าไม่ทำการงานทางใจใช่ไหมครับพ ร, พระองค์พรองค์ตำหนีนะครับผู้ที่ไปติดการงา น, นเรื่องก่อสร้างในเรื่องอะไรเนี่ยบอกไม่จำเป็นนี่ทำไมจำเป็นนี่อย่าเข้าไปติดข้องมันมากนะใครไม่รู้นึนกว่าผู้าศาสนาเป็นเรื่องของความเกียดครานอะไรใช่ไหมแต่ไม่ใช่เลย กับคําว่าจิตนั้นไม่มีสีไม่มีกลิน่นไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในครูหาคือหาไทยย่อมท่องเที่ยวไปเอกาฟังดูแล้วมือนก็จิตจะล่องลอยไปพบนั้นพบนี้พระอาจารย์ช่วยเมตตารุณาด้วครับผม <c oughs> คือจิตนี้เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ท่านนด้นยินไหมเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะนะว่าเที่ยวไปไกลก็คือรับอารมณ์ได้แม้ไกลมันั้นเถอะ นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านเราไกลเป็นกิโลอะไรยังนึกออกเลยใช่ไหมยังนึกได้เนี่ยมันไม่ได้เดินไปอะไรไปรอกมันได้มีเหมือนกับเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่มันเดินออกไปเพราะว่าจิตนั้นในพิสุทธิมรรคท่านอุปมาดีในเหมือนกับว่ากลองกับไม้ตีกลองนะตีแล้วก็เสียงก็ดังขึ้นฉะนั้นจิตก็ลักษณะนั้นเมื่อได้ วัตถุเนี่ยนะเช่นถ้าทางตาเนี่ยนะได้วัตถุได้อารมณ์มีมณสิการมีแสงสว่างเป็นต้นจิตทางตาก็ก็เกิดแต่ถ้าจิตทางมโนทวารเนี่ยนะพื้นฐานคือมโนภวังและอวชนะมีอยู่แล้วใช่ไหมพื้นฐานเดิมแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆเพราะอุปนิสัยเดิมความคิดนั้นก็จะผุดขึ้นเท่านั้นเองเ น, นะนะแล้วก็เกิดขึ้นเขาก็หมดไปของเขาแต่ว่า ตามกิจของเขาเขาเกิดขึ้นมาเขาก็ทำสะสมกรรมส ะ, สะสมกิเลสรายตามเรื่องตามราวของเขาไปอันจึงไม่ได้มีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่คิดหรือความคิดก็ไม่ได้มีรูปร่างมีหน้าตา ม, มีผิวพันธ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาอายุสั้นๆในสัมโมหวินโนธนีอัตถกถาวิพังกล่าวอุปมาเวทนาขันว่า เป็นของที่เกิดดับรวดเร็วเนี่ยเขาบอกว่าชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยเกิดดับแสนโกรธขณะอันจิตกเวทนานเนี่ยเกิดพร้อมกัน เ, เมื่อเกิดพร้อมกันเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งหรือชั่วดีดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยเกิดดับเป็นแสนโกรธขณะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีรูปร่างไปเดินไปเหินไปท่องไปเที่ยวไปอะไรสักอย่างเพียง ว, ว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ได้ปัจจัยและเขาก็เกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ในทวาร ต, ต, ต่างๆเนี่ยนะแล้วก็จิตบางพบก็มีวัตถุเป็นที่อาศาัยเกิด จิตบางพบก็ไม่มีวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดเช่นอรูปภพแต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาสามารถรับอารมณ์ได้แม้ไกลเนี่ยนะมันอารมณ์นั้นจะอยู่ต่างประเทศเขาก็นึกได้ใช่ไหมแปลว่าไกลไปในลักษณะนี้แต่ว่าไม่ได้มีผู้ไปเดินอะไรหรอกเนี่ยนะคือของเราส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะมันมีภาพมีสีเป็นเครื่องรองรับใช่ไหมก็จะเอาแต่สีอย่างเดียวนั่นแหละเป็นเป็นมาตรฐานงั้งนกะ็ส่วนใหญ่ก็จะเอาจากขูวิย ญ, ญ, ญาณ น, นี่แหละเป็น เครื่องตรวจสอบเพราะฉะนั้น <ở, uish> อารมณ์ในอารมณ์เนี่ยมีหกใช่ไหมที่เห็นได้มีอยู่อย่างเดียวคือสีเนี่ยนะสีนั้นเป็นรูปที่เห็นได้แล้วก็รับกระทบได้รูปที่เหลือกระทบได้แต่เห็นไม่ได้รูปส่วนอื่นๆจากนั้นเนี่ยเป็นรูปที่กระทบไม่ได้แล้วก็เห็นก็ไม่ได้ก็มีอยู่นะสันิทัศนะ สัปปติคาธรรมมาอานิทัศนาสัปปติคาธรรมมาอนิทัศนาปติคาธรมมาเห็นไหมอานิทัศนาอปติคาธรรมมาเ น, นี่ยนะเห็นไม่ได้ก็มีรับกระทบไม่ได้ก็มี